บางไปอินถือเป็นคำไกยสิทธิ์สำหรับชาววังเกือบทุกคนในยุคนั้นค่ะ บ, บางไปอินหมายถึงชนบทนอกกรุงหมายถึงท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ที่มีน้ำจืงและดอกบัวบานสะลางหม่อมราชวงศ์คือกริประโมชอธิบายถึงความสำคัญของบางไปอินในยุคนั้นว่าเป็นที่ที่มีอากาศโปร่งสบายร่มรื่นด้วยพันพฤกษามีสระ คลองที่เต็มไปได้น้ําใสสะอาดมีลมที่บริสุทธิ์พัดพาไม่ได้ขาดการได้ตามเสด็จใบบางไปอินมีได้ก่อให้เกิดความสนุกสนานตื่นเต้นต่อเมื่อได้ไปถึงที่นั่นเท่านั้นแต่ความสนุกตื่นเต้นนั้นเริ่มจากขั้นเตรียมตัวจัดหาผ้านุ่งผ้าห่มที่เหมาะสําหรับใช้บนนอกรวมไปถึงการตระเตรียม หาเสื้อผ้าชุดดีๆแล้วก็เครื่องประดับเอาไปใช้ที่นั่นด้วยเผื่อว่าจะมีงานที่ได้ออกหน้าออกตาแล้วก็ยังสนุกที่ได้เตรียมของกินของกินที่ต้องหาติดตัวไปตามประษาชาววังนะคะที่ต้องมีของพิเศษพิเศษไม่เหมือนกับชาวบ้านฉเฉมืองโดยทั่วไปซึ่งที่มีหน้ามีตาหน่อยก็จะหาของกินชั้นวิเศษเป็นต้นว่าขนมปังหมูหยอ ชั้นปลอมลงมาก็จะมีพวกข้าวเม่ามีลูกบัวผัดบางคนที่เข้าใจว่าตัวเองกระสอบกระแสะเลือดลมไม่ปกติก็ต้องหายูกยาติดตัวไปคุณสายนั้นออกอาการหนักต้องเตรียมทั้งของสําหรับเสด็จและก็ของสําหรับตัวเองซึ่งก็มีทั้งเสื้อผ้าเครื่องสําอางของกินของใช้จีปาถะและสิ่งที่คุณสายเห็นว่าสําคัญนักนาะที่จะต้องเอาติดตัวไปด้วยจงได้ ก็คือดินหนึ่งก้อนที่ขุดจากบริเวณรอบตำหนักนั่นเองคุณผู้ฟังอาจจะแปลกใจว่าทำไมจะต้องขุดดินเอาไปด้วยค่คะในที่นี้มีคำอธิบายว่าคุณสายเตรียมไปเผื่อว่าเมื่อถึงบางไปอินแล้วก็จะได้เอาดินก้อนนี้นี่ละคะ่ะ ใส่ก้นกา่น้ําที่เอาไว้ต้มน้ําดื่มนี่เป็นความเชื่อของคนโบราณนะคะเชื่อว่าเป็นสิ่งจําเป็นขาดไม่ได้ถ้าไม่เอาไปไปกินน้ําที่โน่นอาจจะเป็นโรคผิดน้ําถึงขั้นป่วยไข้เป็นอันตรายทีเดียวเรื่องขุดดินติดเอาไปด้วย คุณสายมอภาระให้แก่ชอยเพราะว่าตนเองนั้นมีงานที่ต้องทำเยอะไม่มีเวลาแต่ชอยกลับเห็นเป็นเรื่องขบขันเอาไปเที่ยวเล่าโฆษณาให้เป็นที่รื่นเริงต่อไปได้อีกหลายวันในขณะที่เสด็จก็ดูเหมือนจะดีพระไถยที่จะได้เปลี่ยนที่ประทับเสียชั่วคราวพอ ร, รับสั่งถึงเรื่องที่จะเสด็จบางไปอินบ่อยๆความจริงโอกาสที่จะเสด็จบางไปอินนั้นมีอยู่เสมอ แต่เสด็จไม่ค่อยจะได้ถือโอกาสนั้นในคราวที่แล้วๆมาก็ก็ไม่ได้เสด็จไปจะเป็นเพราะเหตุผลคนใดก็ไม่ปรากฏแต่คราวนี้เสด็จรับสั่งกับพลอยว่าคราวนี้เจ้านายตามเสด็จกันน้อยองค์ขาก็เลยจะไปเที่ยวบ้างถ้าไปกันมากนะักก็ต้องไปเบียดกันอยู่ที่วรนาห้องเดียวอยู่กันตั้งสองคนข้าเป็นคนขี้เกรงใจ อยู่กับใครก็ไม่สบายใจไปคราวนี้คนน้อยหน่อยได้อยู่กันห้องละคนก็ค่อยอยังชั่วแล้วก็ดีอีกอย่างหนึ่งที่คราวนี้เสด็จเพียงสิบกว่าวันเท่านั้นไม่นานนักก็พอทนได้ข่านี่มันคนแปลกเกิดในวังแล้วก็อยู่ในวังมาตลอดชีวิตอยู่ๆไปมันก็อดนึกอึดอัดไม่ได้นานๆนนได้เปลี่ยนที่อยู่สักทีก็ดี ก็สบายขึ้นแต่ถ้าไปอยู่ที่อื่นเกินสิบวันก็เริ่มไม่สบายใจอีกคิดถึงในวังที่เคยอยู่แล้วข้าก็คงจะตายอยู่ในวังนี่เองคำว่าวรน า, าในที่นี้ก็คือพระตำหนักวรนาศเกษมสารซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในที่โดยเสด็จพระราช ด, ดำเนินไปบางไปอิินนะคะซึ่งเสด็จ กระับสั่งถึงพระตำหนักนี้แล้วก็มีรับสั่งแก่ข้าหลวงที่จะตามเสด็จหลายคนให้ระมัดระวังตัวในระหว่างที่อยู่ที่นั่นเพราะว่าจะต้องอยู่ชั้นล่างของตำหนักและก็ต้องอยู่ปะปนกับข้าหลวงเจ้านายคือข้าหลวงของเจ้านายพระองค์อื่นๆถ้าขาดความระมัดระวังก็อาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งให้ต้องรำคาญพระทยัยเสด็จรับสั่งให้พลอย ติดตามพระองค์ไปกับข้าทางรถไฟในกระบวนหลวงในขณะที่คนอื่นๆนั้นให้ไปทางเรือกับคุณสายการที่เสด็จรับสั่งดังนี้ก็เป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่าพลอยเป็นคนที่เสด็จโปรดปรานเป็นคนที่ทรงพระเมตตามากการเสด็จไปบางปะอินในระยะนั้นจะแยกเป็นสองกระบวนกระบวนหนึ่งไปเรือเครื่อง มีคุณสายเป็นผู้ใหญ่ควบคุมไปแล้วก็ออกล่วงหน้าวันหนึ่งจากตำหนักแพไปทางน้ำนะคะก็มีการบรรทุกข้าวของเครื่องใช้แล้วก็เครื่องครัวต่างๆที่จะต้องเอาไปใช้ที่นั่นข้าหลวงที่จะตามเสด็จไปในกระบวนนี้ก็จะมีหลายคนละคะ่ะในส่วนเจ้านายฝ่ายใ น, ในที่จะเสด็จ ที่จะโดยเสด็จพระราชดำเนินนะคะก็จะเสด็จโดยรถม้าพระประเทียบจากวังไปที่สเตชันซึ่งก็คือสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะและก็จะมีข้าหลวงตามเสด็จเพียงหนึ่งคนหรือว่าสองคนเป็นอย่างมากจากนั้นก็จะเสด็จทางรถไฟในกระบวนหลวงไปจนถึงบางปะอินก็คือบรรดาข้าราชบริพาร ก็จะเดินทางไปล่วงหน้าพร้อมด้วยสัมภาระเข้าของเครื่องชชยแต่ว่าเจ้านายจะเสด็จโดยรถไฟนะคะแล้วก็มีข้าหลวงไปตามรับใช้แค่หนึ่งหรือสองคนซึ่งในกรณีของเสด็จข้าหลวงที่ไปตามรับใช้ที่โปรดเลือกก็คือพลอยนั่นเองทีนี้เมื่อชอยรู้ว่าพลอยจะต้องตามเสด็จโดยทางรถไฟชอยก็เริ่มบ่นว่า ฉันเสียดายแท้ๆเชียวพลอยถ้าได้ไปเรือด้วยกันก็คงจะดีสนุกกว่าเป็นไหนๆไปพวกเรากันเองทั้งลำไม่มีเจ้านายเสด็จสบายจะตายไปจะมีคนคุมก็แค่คุณอาเท่านั้นเองนี่หมายความว่าฉันไม่มีอำนาจควบคุมอะไรหล่อนได้อยังนั้นเลยเหรอแม่ช้อยคุณสายซึ่งนั่งฟังอยู่อีกมุมหนึ่งของห้องร้องถามขึ้นเปล่าค่ะ ฉันนายความว่าคุณอาใจดีเท่านั้นเองเฮ้อพอทักขึ้นมาก็เปลี่ยนเสียงทีเดียวพลอยอย่าไปฟังยายช้อยหน่อยเลยไปรถไฟกับเจ้านายของเรานั่นแหละดีเป็นสิริมงคลแก่ตัวเพราะในหลวงก็เสด็จร ถ, รถไฟกระบวนนั้นเหมือนกันป้าเองถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะไปหลอกทางเรือนั่นกลัวเรือล่มจะตายไป คุณอาก็เรือออกลำโตจะไปล่มได้ยังไงกันชอยทวงอย่างขบขันแกอย่าทำเป็นพูดดีไปนะใหญ่ชอยอย่าว่าแต่เรือเครื่องเลยเรือพระประเทียบก็ยังเคยล่มเจ้านายสิ้นพระชนตั้งหลายองค์แกมันเกิดไม่ทานหรอกตอนนั้นฉันยังไว้จุกอยู่เลยเขาเล่ากันว่าน่ากลัวน้ากลัวเขาว่า สมเด็จท่านประทับอยู่หน้าเก๋งเรือพอเรือล่มท่านกระทรงเป็นห่วงทูลกระหม่อมฟ้าที่อยู่ในเก๋งสเสด็จเข้าไปในเก๋งก็พอดีเรือคว่าลงใครจะเข้าไปช่วยเขาก็ไม่กล้ากลัวอาญาเขาว่าพวกมอนที่เขาดำซาอ ย, อยู่แถวนั้นไม่กล้าจะเข้าไปช่วยทั้งที่ลอยเรือกันอยู่ออกจะเต็มไปฉันตามสเสด็จไปในเรือพระประเทียบลำหลังตกใจแทบสิ้นสติ ขาหลวงสมเด็จลอยตามน้ำมาก็หลายคนฉันยังเห็นเขาช่วยกันฉุดขึ้นเรือต้องแก้ไขกันอยู่นานกว่าจะฟื้นตั้งแต่นั้นมาสเสด็จก็ไม่สเสด็จบางไปอินอีกเลยมาตอนท้ายที่พอมีรถไฟเดินถึงได้ถึงได้สเสด็จบ้างแต่อย่างนั้นบางทีก็ยังทรงกันแสงคิดถึงเพรา ะ, ะเสด็จท่านรักสมเด็จพระองค์นั้นมาก พอคุณสายเล่ามาถึงตอนนี้ชอยก็เลยขู่คุณสายว่าตายจริงนิ่เธอเรือล่มเข้าจริงฉันีิพลอยจะต้องตายไปด้วยหรือนี่ลำพังตัวฉันเองน่ะไม่เป็นไรหรอกฉันว่ายน้ำเป็นแต่จะต้องมาคอยช่วยคุณอานี่สิลำบากแท้จะต้องพากันตายในน้ำอีหลักอีเหลือพิลึกละเวลาจะไปเรือด้วยกันแล้วก็คุณอาอย่าเข้าไปนั่งในเก๋งนะคะ ฉันคีเกียจไปควักเอาออกมาลำบากตายดูสิคนอะไรก็ไม่รู้มาพูดเป็นลางอย่ามาทำเป็นพูดดีไปนะเดี๋ยวฉันไม่เอาไปด้วยทิ้งไว้ทางนี้แล้วก็จะลำบากจริงๆละ่ะนี่เคราะดีแต่เสด็จรับสั่งให้เอาไปหรอกนะแมตัวดีถ้าเสด็จไม่รับสั่งฉันไม่มีวันเอาหล่อนไปเสียละทิ้งให้ผีหลอกอยู่คนเดียวทางนี้แหละคนอะไร ไปตามเสด็จมีแต่เขาจะคิดเรื่องการเรื่องงานนี่กลับมานั่งคิดหาความสนุกสบายใส่ตัวไปในเรือมีแต่พวกเราทั้งนั้นเจ้านายก็ไม่มีแม่จะได้เบิกบานกันให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวใครเพราะมีแต่นางสายแก่นี่คุมไปคนเดียวมันจะมีฤทธิ์เดชอะไรกับมันนัดหนาะดีละแม่ช้อยแม่คอยดูฝีมือชัอนไปเถอะว่าใครมันจะเก่งกว่าใครพูดจบคุณสายก็เดินบนตุกตับออกไปจากห้อง ในขณะที่ช้อยก็ไม่ได้มีสลดไม่ได้มีกลัวอะไรนะคะพอคุณสายพ้นประตูออกไปช้อยก็หัวเราะคุณอานี่แก่ตัวลงก็ยิ่งโมโหมากขึ้นทุกทีพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็ถือเป็นเรื่องดูกันไปหมดฉันจะต้องแกล้งให้เข็ดสักวันโถ่ช้อยจะไปถือสาอะไรกับคนแก่คุณป้าเธอรักเราเธอก็หวังให้เราดี มีอะไรก็พูดไปอย่างนั้นแหละตามภาษาคนมีอายุว่าแต่เรื่องของที่จะเอาไปเถอะช้อยหาได้ครบหรือยังเกือบครบแล้วละเมื่อวานนี้แม่จันที่ตำหนักโน้อนน่ะเขามาบอกว่าให้เอาหมวกติดไปด้วยเพราะเวลาตามเสด็จทางเรือไปกลางทุ่งท่านเคยให้ใส่ฉันไปได้มาจากแถวเต้งสองใบาฝากพรอยใบยหนึ่งยังขาดอยู่ก็แต่แพรเพราะห่มนอนเขาบอกว่าที่บางปะอินน่ะหนาวกว่าที่นี่ ผืนเก่าของฉันมันกระรุ้งกระรี่งเต็มทีฉันสั่งเขาไว้ผืนหนึ่งเขาว่าพรุ่งนี้สายๆก็คงจะได้แต่ต้องมารําเอาเองรํานี่ก็คือเอามาอบรําให้มีกลิ่นหอมะนะคะทางภาษาชาววางังละค่ะพอชอยพูดถึงแพรเพราะพลอยก็จี๊ดขึ้นมาทันทีเหมือนกับมีมีดมาสกิดหัวใจจริงๆชอยก็พูดไปโดยซื่อไม่ได้คิดถึงความหลัง คือชอยก็คงลืมไปแล้วนะคะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องอะไรของชอยแต่พลอยนั้นเมือนหน้าไปเสียอีกทางหนึ่งเพื่อซ่อนน้ำตาที่บังคับไม่ได้หัวใจนั้นเต้นระลิกระรัวเหมือนกับผีเสื้อที่หมดแรงกระพือปีกอยู่กับพื้นดินครั้งหนึ่งนานมาแล้วแผลเพราะที่พลอยอกพร่าด้วยมือตนเองสอยตะเข็บด้วยมือตนเองเคยมีค่าสูงยิ่งสาหรับใครคนหนึ่งพลอยยังจาได้ว่าคนคนนั้น เคยนั่งประคองภาพแพรผืนนั้นไปจนถึงบางปะอินจริงสิพรอยก็เพิ่งนึกออกบางปะอินนี่เองที่พี่เนื่องไปเปลี่ยนเรือเพื่อเดินทางไปนครสวรรค์ในครั้งนั้นบางปะอินจะใกล้ไกลนครสวรรค์เพียงใดพรอยก็ไม่รู้จะถามใครก็ไม่กล้ากลัวเขาจะจับความในใจได้ถ้าอยู่ใกล้บางทีจะได้เห็นหน้าพี่เนื่องบ้างกระมังหรือจะมีโอกาสได้เห็นแต่ไกลๆ ก, ก็ยังดี แผลเพราะผืนนั้นพี่เนื่องเคยบอกว่าห่มอยู่ทุกคืนแม้แต่เวลากลางวันพี่เนื่องก็เร่งให้ถึงเวลากลางคืนเร็วๆจะได้ห่มแพรผืนนั้นอยากรู้นักว่าป่านนี้พี่เนื่องยังจะห่มอยู่หรือไม่แต่พอคิดอย่างนี้พลอยก็สะดุ้งใจพี่เนื่องจะไปหม่มแพลเพราะผืนนั้นได้อย่างไรกันเดี๋ยวนี้แพรผืนนั้นก็คงหมดราคาหรือว่าพี่เนื่องจะให้คนอื่นเขาหม่ม คิดอย่างนี้พลอยก็ตัวร้อนวูบว่าไปด้วยความไม่สบายใจแต่ความจริงพลอยก็ไม่ควรจะต้องมิตกเพราะก่อนหน้าที่จะตามเสด็จบางปะอินพลอยได้รับห่ อ, อของห่อหนึ่งจากบ้านชอยในนั้นมีแพรเพราะผืนหนึ่งพับไว้อย่างเรียบร้อยกลิ่นอายอบร่้ำนั้นจางไปนานแล้วและในพับแพรเพราะนั้นมีกระดาษเล็กๆแผ่นหนึ่ง แล้วก็มีข้อความเขียนไว้ว่าคิดถึงแพรเลี่ยนแล้วเสียดายเหลือเป็นฝีมือของหม่อมย้อมมะเกลือได้ขมสนิทแนบเนื้อมนนมนานเคยคิดไว้ว่าจะอยู่เป็นคู่ชื่นไม่เป็นอื่นร่วมรักสมัครสมาน แต่เวนกรรมที่ได้ทามาบันดาลต้องแหลกลานแคล้วคราดทั้งชาติไปอันชาตินี้พี่คิดผิดไปแล้วขอพบแก้วกรอยสวาดในชาติใหม่ถึงความทุกข์ท่วมท้นล้นหัวใจแต่พูดไปก็จะเห็นว่าเล่นลิ้นขอก้มหน้ารับกรรมประจำตัวเมื่อทำชั่วก็จะใช้ไปจนสิ้น แผลผืนนี้คืนไว้ให้ยุพินถึงจางกลิ่นความในใจไม่จืดเอ่ยพรอยได้แผลผืนเก่าคืนมาพร้อมกับกรอนระบายความในใจอีกบทหนึ่งซึ่งพรอยก็รีบเก็บเข้าซุกซ่อนเอาไว้เสียในตู้แล้วก็เอาของอื่นๆเนี่ยทับเอาไว้ป้องกันไม่ให้ใครเห็นและในคืนนั้นเอง ซึ่งเป็นคืนก่อนที่ช้อยจะออกเดินทางล่วงหน้าไปบางปะอินโดยทางเรือแม้ว่าพลอยจะพยายามสะกดอกสะกดใจให้หลับสักเพียงใดแต่ก็หาหลับลงไม่พอหลับตาลงทีไรพลอยก็เห็นแต่หน้าพี่เนื่องแล้วก็เห็นดวงหน้านั้นหัวเราะ อ, อย่างเศร้าทุกครั้งเพลงยาวที่พลอยได้รับจากพี่เนืองเป็นอันสุดท้ายยังคงดังกึกก้องอยู่ในหูเป็นจังหวะไม่ขาดระยะ พยายามที่จะเอาหมอนอุดหูก็แล้วนอนคว่ำก็แล้วนอนตะแคงก็แล้วก็ยังนอนไม่หลับเวลาประมาณตีสามกว่ า, วาเสียงชอยพูดลอดมุ้งมาว่าฉันก็ไม่หลับเหมือนกันและพรอยใจมันเต้นตึกตักจะได้ไปเที่ยวพรุ่งนี้ลุกขึ้นนั่งคุยกันดีกว่าว่าแล้วชอยก็ออกมาจากมุง้งจุดตะเกียงดวงเล็กหลีไว้ แล้วก็ค่อยเดินไปที่ข้างฝ้าค้นหาอะไรกุกกักอยู่คนเดียวพรอยออกมากินส้มกันดีกว่าไหนไหนก็นอนไม่หลับด้วยกันทั้งสองคนแล้วพรอยลุกออกจากบุง้งเข้าไปนั่งอยู่กับช้อยนึกดีใจที่มีช้อยมาอยู่เป็นเพื่อนวันนี้ห่ออะไรที่ส่งมาจากบ้านช้อยถามพรอยห่อแพรเพราะ เอ้พี่เนืองนี่ชักจะหนักมือไปละเรื่องแล้วไม่รู้แล้วพรอยอย่าไปสนใจกับเขาเลยนะเราไม่ได้ทำผิดคิดร้ายกับใครเมื่ออะไรมันแล้วก็แล้วไปมัง่งกินส้มกันดีกว่าฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่นาชอยก็ดีแล้วละพรอยเอ๊กินส้มมืดๆนี่มันเ ป, นเปรี้ยวชอบกน ไหนลองไขไฟขึ้นให้มันสว่างอีกหน่อยสิพลอยเผื่อมันจะหวานขึ้นบ้างว่าแล้วช้อยก็ปิดประเกียงให้สว่างขึ้นอีกแล้วก็ส่งส้มให้พลอยผลหนึ่งพลอยรับส้มมาปอกกินแล้วก็นั่งใจลอยฟังช้อยคุยเรื่องอะไรต่อมีอะไรไปจนฟ้าสางแล้วก็ถึงเวลาที่ช้อยจะต้องรีบไปลงเรือแต่เช้าตรู่รุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งพลอยขึ้นรถพระประียบตามเสด็จ ไปถึงสถานีรถไฟเวลาประมาณสามโมงเช้าเพราะข้างในต้องรีบไปขึ้นรถไฟข้างในในที่นี้ก็คือฝ่ายในนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องคอยเวลาเสด็จพระราชดำเนินเมื่อถึงสถานีพลอยแลเห็นผู้คนพลุกพล่านคอยรับเสด็จมีทั้งข้าราชการทหารพลเรือนและมหาดเล็กกรมระวังมองดูเต็มไปด้วยข้าราชการเจ้าคุณพ่อมาส่งเสด็จที่สถานีด้วย พลอยแลเห็นท่านยืนอยู่ในหมู่ข้าราชการหลายคนเมื่อเสด็จทรงพระดำเนินผ่านไปทุกคนก้มศีรษะถวายคำนับพลอยเห็นเจ้าคุณพ่อมองดูพลอยแล้วก็ยิ้มอย่างภูมิใจแถมสะกิดเพื่อนข้าราชการที่ยืนอยู่ใกล้ๆให้ดูลูกสาวของท่านพอได้เห็นเจ้าคุณพ่อความวิตกต่างๆที่มีอยู่ก็ดูเหมือนจะเบาบางลงไปมาก พลอยรู้สึกว่าความว้าเวที่มีมาหลายวันนั้นหายไปชีวิตกลับมีความหมายขึ้นมาอีกข้างหน้าพลอยคือเสด็จเสด็จเป็นบุคคลที่พลอยมีหน้าที่ปฏิบัติและการปฏิบัติหน้าที่ต่อเสด็จทำให้เจ้าคุณพ่อพอใจไม่รู้สึกอับอายเพราะท่านสกิดให้คนอื่นๆดูลูกสาวของท่าน และข้าราชการกลุ่มนั้นก็พากันพยักพเย์ดอย่างพอใจทุกคนสาขุนพ่อของพลอยท่าทางว่าก็คงจะภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้มากเพราะการที่ได้เป็นข้าหลวงแล้วก็ได้ตามเสด็จมาในขบวนรถพระประเทียบนั้นก็ถือได้ว่าต้องเป็นข้าหลวงคนโปรดนะคะและพลอยเองก็เป็นหญิงสาวที่สวยด้วยเสด็จทรงขึ้นรถตู้ที่จัดไว้สําหรับเจ้านายฝ่ายใน พร้อมกับเจ้านายฝ่ายในพระองค์อื่นตู้ข้างหน้านั้นเป็นตู้จัดเอาไว้เป็นราชพาหนะรถตู้ในที่นี้ก็คือรถรถไฟนะคะไม่ใช่รถตู้ที่เราเข้าใจคือเสด็จนี่ก็ เ, เสด็จโดยรถตู้ที่จัดเอาไว้เฉพาะแล้วก็มีเจ้านายข้างหน้าแล้วก็ข้าราชการผู้ใหญ่บางท่านที่จะตามเสด็จ พอยก็ส่งหีบหมากสเสวยที่เชิญมาถวายเสด็จที่รถตู้ต่อจากนั้นคุณเท่าแก่ที่คุมกระบวนข้างในก็บอกให้ข้าหลวงที่ตามเสด็จเจ้านายเนี่ยไปขึ้นรถตู้อขอภไปไปขึ้นรถไฟอีกตู้นึงนะที่จัดเอาไว้เฉพาะต่อจากนั้นไปก็จะเป็นรถตู้ของมหาดเล็กกร ม, มวังที่จะตามเสด็จก็คือจะมีการแบ่งเอาไว้ว่าเจ้านายจะประทับตู้ไหนข้าหลวง มหาดเล็กจะต้องประทับตู้ไหนนะคะมีการจัดเอาไว้แล้วเรียบร้อยทีนี้พอพวกข้าหลวงเจ้านายขึ้นรถได้ต่างก็พาการหาที่นั่งให้ถูกใจต่างก็ชวนคนที่รู้จักเนี่ยให้มานั่งด้วยกันบรรยากาศก็คงจะคึกคักโกลาหลเล็กน้อยนะคะก็จะมีเสียงดังเซ็งแสคนนคนน่คนนู้นเรียกคนนั้นคนนั้นเรียกคนนี้บางก็ทักทายต่อว่าต่อขานกันฟังไม่ได้สับเสียงคุณเท่าแก่ ตะโกนจากหัวรถว่าเบาๆหน่อยสิยะแม่พวกเหล่านี้อะไรเสียงยังกันกกระเจาะเข้ารังกำลังจะเสด็จเรทุ่งคุนน้ำขุนนางออกเต็มไประวังกันหน่อยสิเสียงพูดจาพากันเงียบลงไปพักหนึ่งแต่แล้วก็กลายเป็นเสียงดังกลับมาอีก พลอยได้นั่งใกล้หน้าต่างมีแม่ชม้อยข้าหลวงตําหนักอื่นที่เป็นคนรู้จักกันมานั่งอยู่ข้างๆแม่ชม้อยเป็นคนที่ค่อนข้างจะกว้างขวางรู้จักใครแั่ใครมากพอมานั่งติดกับพลอยก็เริ่มชี้ให้ดูข้าราชการบนชานฉลาเสียงเจ้าคุณอาที่โ น, น่นคุณพี่พระที่นี่คุณพระนายต่ออะไรมีอะไรเต็มไปหมด ตามภาษาคนกว้างขวางชี้ให้ดูคนนั่นชี้ให้รู้จักคนนี้จนสุดที่พลอยจะจําได้นะคะแม่ชม้อยก็สนุกสนานกับการชี้ให้พลอยดูข้าราชการที่ที่แม่ชม้อยรู้จักแต่ละคนแล้วก็อธิบายสรรพคุณของข้าราชการเหล่านั้นว่าใครดีไม่ดีอย่างไรมีเมียกี่คนมีลูกกี่คนเป็นญาติกับใครบ้างดูเหมือนว่าแม่ชม้อยนี่จะรู้ทั่วถึงไปหมดนะคะ แม่ชะม้อยพูดไปก็หัวเราะไปแล้วก็นัดยาไปพากตลอดเวลานั้นพลอยก็นั่งเหมอมองไปข้างหน้าอย่างไม่สนใจฟังแต่คือฟังไปงั้นๆ น, นานๆก็พยักหน้าเสียทีหนึ่งเหมือนกับว่ากำลังฟังแต่จริงๆใจนั้นไม่ได้สนใจอะไรเลย พลอยนั่งบนรถรอเวลาเสด็จพระราชดำเนินอยู่นานแล้วก็เกิดความรู้สึกว่ามีใครคนหนึ่งกำลังจ้องมองอยากที่เคยรู้สึกมาก่อนเอาละสิความรู้สึกนี้เคยเกิดกับพลอยมาแล้วนะคะและพอพลอยเลียวไปดูก็ไปเจอกับสายตาคู่เดิมค่ะนั่นก็คือสายตาของคุณเปรม คุณเปรมคนที่เคยแอบมองพลอยเมื่อครั้งพลอยไปดูละครจาได้ไหมคะตอนที่พลอยกับคุณเชยแล้วก็ช้อยไปดูละครรําในหวังตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเสด็จนิวัตพระนครและก็มีงานเฉลิมฉลองครั้งใหญ่และหลังจากนั้นเวลาที่พลอยออกมาซื้อของนอกหวังก็มักจะเจอคุณเปรมเนี่ยแอบมอง อยู่เป็นระยะระยะคราวนี้พลอยเห็นคุณเปรมยืนมองดูพลอยอยู่ณมุมหนึ่งของชานชลาสถานีรถไฟพลอยเห็นดังนั้นก็รีบหลบหน้าเข้ามาเสียข้างในรถรู้สึกหนาวไปทั้งตัวคุณเปรมแต่งตัวเหมือนกับเหมือนกับว่าคุณเปรมเนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่จะตามเสด็จด้วยพลอยนั่งนิ่ง ทิงตัวกับพนักในขณะที่คุณเปรมเดินผ่านมาใกล้ๆแล้วก็เดินผ่านหน้าต่างรถไฟที่ที่พลอยนั่งอยู่พอคุณเปรมเดินผ่านแม่ชะม้อยก็พูดขึ้นอย่างตื่นเต้นบอกว่าแม่พลอยดูสินั่นไงคุณเปรมมาหาดเล็กเขาว่ากันว่าเป็นเศรษฐีใหญ่ไม่มีตัวจับ ฉันรู้จักกับพี่น้องเขาหลายคนคุณเปรมเขาเป็นลูกหลานเจ้าคุณโชดึกพวกนี้เขาร่มรวยทั้งนั้นแหละแม่พลอยรู้จักไหมสำหรับเจ้าคุณโชดึกก็เล่าแทรกเป็นความรู้นิดหนึ่งนะคะเจ้าคุณโชดึกที่แม่ชม้อยพูดถึงเนี่ย เป็นนามบรรดาศักดิ์ของเจ้ากรมท่าซ้ายนะคะเรียกเต็มๆว่าพระยาโชดึกราชเสถียเป็นตําแหน่งและบรรดาศักดิ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาค่ะคู่กับตําแหน่งพระจุลาราชมนตรีเจ้ากรมท่าขวานะคะเจ้ากรมท่าซ้ายก็จะมีหน้าที่ดูแลติดต่อกับชาวต่างชาติทางฝั่งซ้ายของคุ้งทะเลไทยก็คือจีนญวนญี่ปุ่น ส่วนพระจุฬาราชมนตรีเจ้ากรมท่าขวาก็จะดูแลติดต่อชาวต่างชาติทางฝั่งขวาของคุ้งทะเลไทยก็คือพวกฝรั่งต่างๆแล้วก็แขกทีนี้เจ้ากรมท่าทั้งสองเนี่ยยังต้องรับผิดชอบกิจการสำเพอหลวงที่ออกไปค้าขายกับประเทศเหล่านั้นด้วยนะคะดังนั้นก็จะมีโอกาสค้าขายส่วนตัวสองตำแหน่งนี้ มีฐานะร่ำรวยเป็นเศรษฐีลค่ะคือถ้าเกิดว่าใครได้ทำใครได้เป็นก็ก็เรียกว่าเป็นคนมีกระตงะังล่ะในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะนามบรรดาศัก์พระยาโชดิกราชเศรษฐีมีหลายท่านค่ะและพระยาโชดิศที่มีชื่อเดิมว่าพองโชติกะพุกณะนะเป็นพระยาโชดิกคนสุดท้าย ในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะก็คือในสมัยรัชกาลที่5นี่แหละแล้วก็หลังจากนั้นสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงก็มีการยุบยุบเลิกตำแหน่งบางตำแหน่งนะคะที่อาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วแล้วก็สำหรับคุณเปรมเนี่ยได้รับการสมมุติให้เป็นเชื้อสายชั้นหลาน ของพญาโชเดึกท่านใดท่านหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นชั้นหลานแต่ก็ยังคงมีกิจการค้าขายให้ดำเนินสืบเนื่องจากต้นตระกูลนะคะซึ่ง เ, เรื่องของครอบครัวของคุณเปรมเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะได้พูดถึงในโอกาสต่อไปแต่อันนี้อธิบายตำแหน่งของเจ้าคุณโชเดึกให้ได้ทราบก่อนนะคะว่าเป็นเจ้ากรมท่าซ้ายก็เป็นคนมีฐานะดีละคะ่ะ ดูเหมือนว่าแม่ชม้อยเนี่ยจะตื่นเต้นมากเมื่อได้เจอคุณเปรมประมาณว่า เ, เป็นหนุ่มหล่อพ่อรวยฐานะดีชาติตระกูลดีนะคะเพียบพร้อมละค่ะในขณะที่พลอยนั่งนิ่งแล้วก็ไม่ตอบอะไรพยายามซ่อนตัวแล้วก็ภาวนาขออย่าให้คุณเปรมเหลียวมา ม, มองอีกแล้วคุณเปรมก็เดินหายไปทางท้ายรถ ในขณะที่แม่ชม้อยก็ดูจะติดอกติดใจพลอยมิใช่น้อยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุยกับพลอยเนี่ยสบายใจเพราะว่าพลอยไม่ขัดคอแล้วก็ปล่อยให้แม่ชม้อยพูดอยู่ฝ่ายเดียวถึงบางไปอินแล้วแม่พลอยอยู่กับใครหรือเปล่าถ้าไม่มีใครอยู่กับฉันก็ได้นะฉันก็ต้องอยู่กับแม่ช้อยและข้าหลวงตับหนักเดียวกันอีกหลายคนยังไม่รู้เลยว่าจะอยู่ที่ไหน ถ้าอย่างนั้นเราก็อยู่ใกล้กันก็แล้วกันฉันไม่มีเพื่อนคุยคุยกับแม่พลอยฉันชอบไม่ค่อยมีเรื่องแน่สเสด็จแล้วล่ะในขณะนั้นก็มีเสียงทหารกองเกียรติยศบอกแถววันทยาวุฒิเสียงแตรวงเบลงข้าราชการที่มาส่งสเสด็จยืนประวังตรงทุกคน พลอยนั่งตัวตรงไม่กล้าฉเฉงืออออกไปดูเสียงพูดคุยกันจอแจในรถก็เงียบลงทันทีพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าสู่ชานชาลาสถานีโดยมีเจ้านายลูกเธอเล็กๆตามเสด็จหลายพระองค์ระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านคนที่มาส่งเสด็จก็มีพระราชดํารัสปฏิสันถานกับคนที่มาเฝ้าเกือบจะทุกคนพลอยนั่งนิ่ง มีกล้าแม้แต่ชำเลืองมองแต่ยังได้ยินพระสุรเสียงซึ่งก้องกังวานกว่าเสียงอื่นๆในที่นั้นส่งทักทายปราศัยกับข้าราชการที่มาส่งเสด็จด้วยข้อรัชการบ้างด้วยเรื่องส่วนตัวบ้างพรอยได้ยินพระราชดำรัสแววๆถึงเรื่องถนนหนทางบ้างเรื่องการปกครองหัวเมืองบ้างตลอดจนเรื่องลูกใครเรียนหนังสือเมียใครเจ็บไข้ไม่สบายทรงไต่ถามตั้งแต่เรื่องใหญ่จนเรื่องเล็ก ดูเหมือนจะทรงทราบโดยละเอียดไปสิ้นไม่มีเรื่องใดที่จะใหญ่หรือว่าเล็กไปสำหรับพระองค์ทุกคนในที่นั้นรู้สึกว่าชีวิตทุกทางทุกด้านทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องการงานกำลังถูกนำออกพิจารณาโดยผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ทราบเรื่องราวทั้งปวงดีกว่าคนอื่นและการซักถามหรือแนะนำนั้น ก็กระทำโดยเจตนาดียิ่งกว่าที่จะหาได้ในที่ใดเพราะผู้ใหญ่คนนั้นคือเจ้าชีวิตเป็นทั้งผู้ดำรงรักษาและเป็นทั้งผู้ที่อาจทำลายชีวิตทั้งปวงที่รวมกันอยู่ในเมืองไทยพรอยเองก็เป็นชาววังอยู่ใกล้เจ้าใกล้นายสักแต่จะโผล่หน้าต่างห้องออกไปก็มองเห็นที่บน อันเป็นที่ประทับพระเจ้าอยู่หัวเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระองค์เป็นต้นว่าวันใดไม่ทรงสบายของสิ่งใดโปรดหรือไม่ตลอดจนผู้ใดที่อยู่ในข่ายพระมหากรุณาเป็นพิเศษพลอยก็รู้ดีอย่างใกล้ชิดแต่ถึงกระนั้นทุกครั้งที่มีโอกาสเฝ้าใกล้ชิดและเห็นพระองค์พลอยก็รู้สึกเต็มตื้นน้ำตาคลออยากจะร้องไห้ด้วยความปิติและคอหอยนั้นก็ตื้นตันทุกครั้ง อีกครู่หนึ่งรถไฟกระบวนพระที่นั่งก็เคลื่อนออกจากสถานีพรอยลืมสิ่งอื่นๆทั้งหมดเพราะภูมิประเทศที่มองเห็นจากรถไฟนั้นเป็นสิ่งที่พรอยไม่เคยเห็นมาก่อนรถไฟแล่นช้าๆออกจากสถานีแล้วเพิ่มฝีจากเร็วขึ้นจนตาลายนี่คือครั้งแรกที่พรอยเคยขึ้นรถไฟ แน่นอนว่าเนื่องจากเป็นครั้งแรกพลอยจึงตื่นเต้นยิ่งนักเสียงแม่ชะม้อยยังคงคุยอะไรต่อมิอะไรเรื่อยไปไม่รู้จบซึ่งพลอยก็มีได้สนใจฟังรถไฟแล่นผ่านบ้านเล็กเมืองน้อยแถวชานพระนครบางบ้านรู้ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านตามทางรถไฟก็มีการตั้งที่บูชากันตามมีตามเกิด บางบ้านเจ้าของบ้านออกมารับเสด็จพอรถไฟผ่านต่างก็หมอบกราบถวายบังคมแล้วแงนหน้าขึ้นมองรถไฟกระบวนเสด็จด้วยความปลื้มใจเป็นล้นพ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พลอยได้โดยเสด็จในกระบวนหลวงและได้เห็นว่าอาณาประชาราัษฎรแสดงอาการกิริยาความรู้สึกอย่างใดเมื่อได้ชมพระบารมีขณะเสด็จพระราชดำเนินผ่าน รัศมีแห่งความจงรักภักดีจากผู้คนนับพันนับหมืน่นที่เรียงรายตามบ้านช่องและไร่นาพุ่งเข้ามาจับหัวใจเวลาไปไหนมาไหนตามลำพังพลอยไม่เคยรู้สึกว่าชาวบ้านร้านตลาดและบ้านช่องเลือกสวนที่ได้เห็นตามทางนั้นมีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่คราวนี้พลอยเลยเห็นความสัมพันธ์นั้นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนช่องไหน ไม่ว่าจะเป็นคนหมู่ใดกลุ่มใดล้วนแต่เป็นบ้านเรือนคนในครอบครัวเดียวกันทั้งสิ้นรถไฟยิ่งแล่นกลายออกไปบานช่องที่เรียงรายอยู่นั้นก็ค่อยห่างกันออกไปทุกทีมีทุกนาอันกว้างและป่าละเมาะที่เห็นอยู่ไกลๆเข้ามาแทนที่จะมองไปทางไหน ก็เห็นแต่น้ำใสสะอาดสลับด้วยต้นข้าวเขียวขจีและดอกบัวหลากสีทำให้พรอยลืมความทุกข์ความเศร้าหมองและทุกอย่างแม้แต่พี่หนิงชาวบ้านกลุ่มหนึ่งภายเรือจะไปกิจธุระพอเห็นรถไฟกระบวนเสด็จพระราชดำเนินแล่นผ่านไปก็วางพายพาดไว้บนตัก และหันมาถวายบังคมทั่วทุกคนพร้อมๆกันคนแก่คนเฒ่าที่หาปลาอยู่ริมคูลงนั่งคุกเขา่าพนมมือไว้หวางหน้าผากแล้วก็หลับตาทำปากมุบมิบอาราธนาคุณพระคุณเจ้าให้คุ้มครองในหลวงเด็กอีกกลุ่มหนึ่งเล่นน้ำอยู่ที่หน้าศาลาวัดเห็นรถไฟผ่านไปก็ตะโกนโห่ร้องโลดเต้นอย่างลำพองใจตามธรรมดาของเด็กที่ไร้เดียงสา และในที่สุดกระบวนรถไฟนั้นก็มาถึงสถานีบางปะอินทุกคนต่างเตรียมตัวลง และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถแล้วหมู่ข้าหลวงเจ้านายกะตั่งลงจากรถเพื่อไปรับเสด็จเจ้านายของตนจากรถที่ประทับ ท, ที่สถานีบางปะอินข้าราชการแขวงกรุงเก่าและภรรยาข้าราชการมารับเสด็จเป็นจำนวนมากไม่น้อย บรรยากาศที่บางปะอินสดชื่นรื่นเริงผิดกว่าที่กรุงเทพเจ้าหน่ายทุกพระองค์มีพระอาการรื่นเริงอย่างเสด็จมาพักผ่อนพระอิเรียบทขนบธรรมเนียมประเพณีอันเคร่งครัดต่างๆดูเหมือนจะถูกทิ้งไว้ที่กรุงเทพเป็นบางส่วน เมื่อถึงพระราชวังบางปะอินแล้วนั้นวันทั้งวันพรอยก็ไม่ได้มีเวลาที่จะดูอะไรได้เพราะ ว, าว่าวุ่นอยู่กับกิจธุระที่ต้องกะเตรียมห้องที่ประทับถวายเสด็จและที่ตำหนักวรนาศเสด็จก็ได้ประทับแบบพระองค์เดียวนะคะจริงอย่างที่ได้ทรงรับสั่งไว้คือหมายถึงว่าได้ประทับพระองค์เดียวในหนึ่งห้องเพราะว่าครั้งนี้ เจ้านายมาน้อยพระองค์ส่วนช้อยนั้นมาถึงก่อนหน้าพลอยหนึ่งวันนะคะพลอยก็ต้องคอยรับเข้าของต่างๆที่คุณสายอำนวยการให้ขนขึ้นมาจากเรือเครื่องซึ่งจอดอยู่ริมคลองท้ายวังช้อยนั้นดีใจราวกับไม่ได้พบพลอยมานานหลายปีแล้วก็เพิ่งจะได้มาเจอกันช้อยก็บรรยายความสนุกที่ได้รับจากการเดินทางอยู่ตลอดเวลานะคะ กว่าจะจัดข้าวของเสร็จก็พบค่าช้อยชวนพลอยไปอาบน้ําในสระทั้งมืดมดแล้วก็ออกไหว้น้ำท่าต่างๆให้พลอยพร้อมด้วยข้าหลวงตําหนักอื่นๆดูอย่างโลดโผนระหว่างที่อยู่บางปะอินคุณสายตกลงว่าจะคุมเครื่องอยู่ในเรือให้พลอยกับช้อยแล้วก็ข้าหลวงรุ่นเดียวกันอีกสองคนเข้ามาอยู่กับเสด็จที่ตําหนักวรนาธ ช้อยเห็นด้วยกับการตกลงใจของคุณสายเป็นอย่างยิ่งและก็บอกพลอยว่าฉันดีใจดีใจนะพลอยคุณอานอนที่เรือถ้าขึ้นมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ฉันแย่ทีเดียวกลัว จ, จะมีคนคอยดูหลอช้อยนั่นก็อย่างหนึ่งละอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณอาเข้ามาอยู่เสียในนี้เราก็จอดอยู่ในนี้เท่านั้นเอง นี่คุณอาอยู่ที่เรือเราก็มีเรื่องเดินเข้าเดินออกทุกวันเล่นไปมาหาสู่กับคุณอาสายนั่นแหละชอยนี่เมื่อไหร่จะโตสัทีนะไม่มีวันเสียละพลอยเป็นเด็กมันเรื่อยๆไปอย่างเนี้ยดีกว่าสนุกตลอดชาติใครอยากโตอยากแก่ก็ตามใจฉันไม่เอาด้วยละ่ะพวกฉันมันเหมือนกันทุกคนดูแต่แม่ฉันสิจนแก่แล้วก็ยังหาเรื่องสนุกได้เรื่อยๆพี่เนือเอ้ย แล้วช้อยก็หยุดพูดพอรู้ตัวว่าพูดผิดไปถนัดช้อยกัดริมฝีปากตัวเองแล้วก็มองดูหน้าพรอยเหมือนกับจะขอโทษพี่เนื่องทำไมเหรอพรอยถามแล้วก็หัวเราะในใจนั้นก็ดึกอัศจรรย์ตัวเองที่สามารถตีหน้าซื่อไม่มีพิรุษก็ไม่ทำไม่รอบฉันกำลังจะว่าพี่เนื่องแกก็รักสนุกอย่างฉันเหมือนกันเท่านั้นเอง พอยยิ้มก็แล้วทําไมช้อยไม่พูดต่อให้ตลอดละ่ะทีนี้ช้อยจะพูดอะไรก็พูดเถิดไม่ต้องเกรงใจฉันหรอกฉันไม่เป็นไรแล้วพอยจะยินเสียงตัวเองเหมือนคนอื่นพูดแล้วก็นึกสงสัยตัวเองอยู่ครันครันในใจว่าจะเหมือนกับที่ปากพูดหรือไม่พอยมาอยู่ที่บางปะอินที่ที่พี่เนื่องเคยผ่านขึ้นล่องไปนครสวรรค์ แม่ฉันเคยเล่าว่าพี่เนืองนั่งกอดพ่อห่มที่พลอยให้มาจนถึงบางปะอินแต่บัดนี้ พ, พ่อห่มผืนนั้นกลับมาหมกอยู่ก้นตู้กลิ่นอายหรืก็จืดจางไปบางปะอินเป็นที่ใหม่ที่พลอยไม่เคยมากลิ่นอายก็ผิดกับที่กรุงเทพเป็นหนักหนามีที่ต่างๆที่จะต้องดูอีกมากมีเรื่องราวที่จะต้องรู้อีกมากมีงานการใหม่ๆที่จะต้องทาอีกมาก ถ้าจะว่าไปชีวิตก็คงจะเป็นเช่นนั้นของเก่าก็เก็บเอาไว้ก้นตู้แล้วมองไปข้างหน้าดูว่าจะมีอะไรทําต่อไปรุ่งคืนอีกวันหนึ่งตอนเช้าสเสด็จรับสั่งถามพลอยว่าพลอยพายเรือเป็นหรือไม่เมื่อพลอยทูลรับสั่งว่าไม่เป็นสเสด็จก็รับสั่งให้พลอยไปหัดพายเสียให้เป็นที่ในายสาเพื่อที่ว่าวันหลังจะได้พายเรือไปเที่ยวไหนๆด้วยกันแล้วก็รับสั่งให้ช้อย ไปหัดสีด้วยกันให้เป็นด้วยชอยก็เลยเดินหน้าบานลงมาจากตำหนักชั้นบนพร้อมๆกับพลอยพลอยจาไว้ให้ดีน ะ, สะเสด็จรับสั่งให้ฉันไปหัดพายเรือแล้วทำไมล่ะชอยพลอยถามอย่างไม่เข้าใจว่าดีใจอะไรนักหนาเอาก็ฉันกับพลอยก็จะต้องลงไปพายเรือกันใหญ่นะสิถ้าใครมาว่า เราก็จะได้อ้างรับสั่งกลับไปให้เงียบไปเลยแล้วมันจะไปยากอะไรกันนักหนากระอีพายเรือหึ้งช้อยหัดวันสองวันก็คงเป็นโอ้ยยากจะตายไปเราไม่ใช่จะไปหัดเรือธรรมดานี่พลอยเผื่อท่านรับสั่งใช้จะได้พายเรือที่นั่งเดี๋ยวพายไม่ดีพาเจ้านายไปเรือล่มจะพากันหลังลายไปตามๆกันหัดวันเดียวสองวันจะไปเป็นที่ไหนเล่า อย่างนี้ก็ต้องหาทุกๆวันวันละสามเวลาภายเป็นแล้วก็ยังต้องฝึกซ้อมให้ชำนาญเรื่องมันอยู่ที่ว่าฉันจะลงเล่นเรือทุกวันแล้วคุณอาก็จะว่าฉันไม่ได้เท่านั้นแหละเพราะเสด็จรับสั่งให้ฉันหดพายเรือว่าแล้วชอยก็ร้องรำทําเพลงอย่างสบายใจจนพลอยห้ามเพราะกลัวว่าใครเนี่ยเขาจะมาเห็นเขาและตั้งแต่นั้นมาชอยก็ชวนพลอยลงพายเรือเล็ก ที่มีจอดเอาไว้ริมสระในพระราชวังบางไปอินทุกวันผลัดกันคัดท้ายบ้างพายหัวบ้างพายคนละลำแข่งกันบ้างชอยแกล้งทําให้เรือล่มเล่นสนุกสนุกบ้างพลอยก็พลอยสนุกไปด้วยเช้าเย็นกลางวันแดดร้อนเล่นเรือไม่สนุกชอยก็ชวนพรอยเดินออกไปหาคุณสายที่เรือคุณสายอยู่ที่นั่นเป็นประจํา ต้องคอยควบคุมข้าวของแล้วก็ดูแลเครื่องเสวยนานๆจึงจะได้เข้ามาเฝ้าเสด็จที่ข้างในสัก ห, หนึ่งออกมาทำไมกันทำไมไม่อยู่กับเสด็จแหมก็ฉันคิดถึงคุณอาพรอยเขาก็คิดถึงขืนอยู่ต่อไปไม่ได้เห็นหน้าคุณอาหัวใจเขาจะแตกตายฉันก็เลยพาเขาออกมาหาเฮ้อ มันจะมากไปละอยากออกมาเที่ยวก็บอกมาเสียดีๆแต่อย่าอยู่ชักช้าพเพราะก็เชิญเครื่องเข้าไปก็รีบกลับก็แล้วกันขืนถาลายแล้วก็เป็นเจ็บตัวทั้งๆ ท, ท, ที่โตกันอย่างนี้แหละโถคุณอาเจ้าขาคุณอาไม่รักหลานเสียแล้วหรือคะหลานอุตส่าห์เดินกลาแดดมาหาทั้งสองคนดูสิเนื้อตัวดําไปหมดแล้วนี่กลับถึงกรุงเทพจะต้องไปบ่มผิวอยู่อีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้กรำเวรจริงๆ คุณอาไม่มีอะไรให้หลานรับประทานบ้างหรือคะคุณอาใจดีใจดีคุณสายเหลียวมาหัวเราะกับพรอยแล้วก็ถามว่าพลอยไม่คืนสายใหญ่ช้อยบ้างเหรอฉันจะทนไม่ไหวอยู่แล้วนะแต่แล้วคุณสายก็บอกให้พาดไปยกของกินมาให้หลายอย่างส่วนมากก็มีไส้กรอกปลาแนมของกินเล่นอื่นๆตลอดจนข้าเมาทอดขณะเดียวกันก็กํากับช้อยให้หมั่นเฝ้าเสด็จ อย่าไปเที่ยวถลายเสียที่อื่นเพราะบางไปอินมีที่เที่ยวเล่นมาเกเศรษฐของเรานะ่ะท่านพระไทยดีมาอย่างนี้ท่านไม่เคยห่วงห้ามใครอยากจะเที่ยวจะเล่นก็ตามแต่ใจดังนั้นจึงเป็นเรื่องของเราที่จะดูแลตัวเราเองไม่ให้เหลิงไปพลอยมองดูคุณสายก็รู้ว่าคุณสายเองก็สนุกไม่น้อยอยู่เหมือนกัน เพราะของที่กองอยู่รอบๆตัวบอกให้รู้ว่าคุณสายสนุกในการซื้อของจากชนบทพวกฟักแฟงแต่งร้านผักตับเตา่าสันตวาและสายบัวตลอดจนกุ้งปลาต่างๆที่มีคนนำมาขายตามเรือกลิ่นกับข้าวหอมฉุยมาจากท้ายเรือช้อยแหงนจมูกขึ้นดมแล้วก็ถามว่าแหมใครทำอะไรหอมเตะจมูกฉุยทีเดียวฉันหลนปาระ จะตั้งเครื่องเสด็จเมื่อเช้านี้เขาเอาผักกินกับปลาร้ามาขายเต็มลําโอ้โหน่ากินเต็มทีหล่นแล้วกาว่าจะใส่กระโหลกมะพราะ้าวฉันให้เขาทําเอาไว้น่าเอ็นดูคุณสายชี้ให้เห็นกะโหลกมะพร้าวใบเล็กที่ขัดจนเป็นมันส่วนบนเลื่อยเปิดเป็นฟ้าปิดเรียบร้อยแล้วก็มีการใส่สแสแลกเล็กๆแขวนเอาไว้ด้วยเลกภาพออกไหมคะ ลูกมะพร้าวขัดจนกระทั่งเป็นมันแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นภาชนะใส่อาหารได้นะคะก็ดูน่ากินแล้วก็แปลกตาชอยก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วทาไมต้องใส่กะโหลกล่ะคะฉันเห็นมันหน้าเอ็นดูดีอยู่ในวังท่านเสวยชามเงินชามทองมานานแล้วมหาบัานนอกบัานนาลองใส่กะโหลกกะลาดูบ้างเวลาเสวยนะ่ะ พลอยช่วยทูลเสด็จด้วยนะว่าทั้งผักทั้งปะระป่าตั้งใจเป็นพิเศษจริงๆก็เรียกว่าสนุกไปทุกฝ่ายนะคะจะเป็นเพราะดินฟ้าอากาศที่บางไปอินนั้นบริสุทธิ์กว่าที่กรุงเทพหรือจะเป็นเพราะการเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนอากาศการได้ออกกำลังการแจ้งทำให้กินได้นอนหลับ หรือว่าจะเป็นเพราะเวลาอันเป็นเครื่องสมานแผลที่ดีที่สุดก็ตามกตั้งแต่พลอยมาบางไปอินความอ้างว้างในใจและความทุกข์โทมนัสต่างๆก็ดูเริ่มจะเลือนรางไปจากหัวใจอาจจะเป็นเพราะบางไปอินเป็นสถานที่ใหม่ไม่มีอะไรจะเตือนใจให้รำลึกถึงความหลังหรือบางไปอินจะเป็นสถานที่กายสิทธิ สร้างขึ้นเพื่อความสุขง่ายๆผู้ใดที่ได้ไปถึงก็บังเกิดความสุขอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสแสวงหาภายในเวลาสีห้าวันหลังจากที่ได้ตามเสด็จมาอยู่บางปะอินทั้งชอยและพลอยก็พายเรือได้เก่งคล่องแคล่วและพายเรือไปเล่นไกลๆนอกพระราชวังออกไปที่ทุ่งข้างหลังวังถอนใสบัวหรือเก็บกระจับเล่นบ้างพายเรือไปเที่ยวหัวเกาะท้ายเกาะ และแวะเสียงเซียมซีที่ศาลพระเจ้าปราสาททองทั้งที่เนื้อความในใบเซียมซีนั้นจะอ่านอย่างไรก็ไม่มีวันเข้าใจแต่ชอยก็กลับเห็นเป็นเรื่องครบขันเสียงใบเดียวเป็นไม่พอต้องทอดครั้งละหลายๆใบแล้วก็เอามาอ่านอวดคนโน้นคนนี้เป็นที่รื่นเริงไปทั่ววันหนึ่ง เสด็จพระราชดำเนินทอดพระกฐินที่วัดวิเวกวายุพัฒโดยกระบวน เ, เ, เรือแจวเรือภายวัดวิเวก น, นั้นอยู่กลางทุ่งหลังพระราชวางังออกไปไกลพอดูทางที่จะไปต้องผ่านไปกลางทุ่งที่เต็มไปด้วยดอกบัวสีต่างๆบานสลอนสุดลูกตาเจ้าหน่ายฝ่ายในและฝ่ายหน้าตามเสด็จด้วยเรือต่างๆพร้อมด้วยมหาดเล็กข้าหลวงอีกเป็นจานวนมาก นับว่าเป็นงานที่สนุกเอกเะเลิกงานหนึ่งสเสด็จรับสั่งให้ข้าหลวงลงเรือภายตามสเสด็จไปด้วยเพราะจะได้เล่นเรือทางไกลๆให้สนุกมีข้าหลวงคนอื่นตามสเสด็จไปในเรือลำทรงช้อยจะไปออดอ้อนคุณสายด้วยวิธีใดก็ไม่มีใครทราบได้แต่เมื่อถึงเวลาออกเรือคุณสายก็ลงเรือพายที่มีช้อยกับพรอยภายทางหัวคุณสายนั่งกลางลำ มีผาดกับนางพิษซึ่งติดตามมาในเรือเครื่องและเป็นผู้ที่คุณสายไว้ใจว่าพายเรือเป็นแน่เป็นผู้พาอยู่ข้างท้ายวันนั้นทั้งชอยและพลอยแต่งตัวธรรมะแมงนุ่งผ้า พ, พื้นใส่เสื้อสะพายแพรให้รัดกุม่มเพราะออกบรร น, นอกพอลงเรือเรียบร้อยชอยก็บอกให้พลอยใส่หมวกตอนแรกพลอยก็อิดเอื้อนเพราะยังกระดาษ ชอยก็เลยต้องบังคับแกมอ้อนวอนจนกระทั่งพลอยยอมตกลงใส่หมวกชอยก็หัวเราะอย่างดีใจคือเหมือนกับว่าในสมัยนั้นนอกเหนือจากหมวกที่ใส่เวลาไปไร่ไปนาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับไม่ใช่วัฒนธรรมเนะที่คนไทยจะใส่หมวกคือจะใส่หมวกต่อเมื่อมีการเอาไว้ใช้ในการบังแดด เวลาออกไร่ออกนาเท่านั้นแต่ทีนี้ช้อยกับพลอยเนี่ยไม่ได้เป็นชาวไร่ชาวนาแล้วก็ไม่ได้แต่งตัวชาวไร่ชาวนานะคะแต่งตัวดีเป็นสาวชาววังแต่ช้อยใส่หมวกเหมือนกับเขาจะไม่ใส่กันอะไรทํานองนั้นนะคะพลอยใส่หมวกเป็นเพื่อนชันหน่อยเถินหน้าถ้าไม่ใส่ฉันก็ต้องนั่งใส่หมวกเป็นอีบ้าไปคนเดียวใส่เถินหน้พลอย แดดนายออกอย่างเนี้ยไม่ระวังตัวเดี๋ยวจะเจ็บไข้ไปเวลาออกเล่นทุ่งนะ่ะเขาก็ใส่กันทั้งนั้นแหละพอพลอยตกลงใส่หมวกชอยก็ดีใจนะคะผีนี้เลยนั่งตีหน้าบ้ากันไปสองคนก็ ย, ยังชั่วหน่อยฉันเสียดายไม่ได้เอาหมวกมาฝากคุณอาด้วยจะได้เข้าชุดกันทั้งสามคนเก๋ตายไปเลยทีเดียวโอ้ยไม่ต้องมาห่วงฉันหรอกใครเป็นสาวเป็นแซ่จะแต่งตัวกันอย่างไรก็ได้อย่างฉัน จะไปทําเข้าบ้างกลัวหมามันจะเห่าพลอยฟังคุณอาว่าสิกรุงเก่าที่ฉันเคยได้ยินว่ามีแต่แมวน้ำเดี๋ยวนี้หมาน้ำก็มีเหมือนกันแฮะดูบรรยากาศก็กเต็มไปได้วยความสนุกสนานนะคะเรือลําที่พลอยออกไปนั้นก็ออกเดินทางกันตั้งแต่เช้า พระช้อยบอกว่าจะได้ไปกันแบบสบายๆแล้วก็เที่ยวเก็บผักถอนใสบัวหรือว่าเก็บดอกบัวฝักบัวกลางทุ่งที่จะต้องผ่านไปก็ยังได้การที่ไปนั้นไปตัวเปล่าไม่ต้องเตรียมอาหารไปด้วยคงมีแต่การน้ำกินซึ่งคุณสายไม่ยอมให้ห่างตัวที่ไม่ต้องเอาอาหารไปเพราะว่าในวันนั้นบรรดาภรรยาออข้าราชการแขวงกรุงเก่า แล้วก็บันดาค่าหลวงเดิมในกรุงเก่ารับเป็นภาระเลี้ยงขนมจีนน้ำพริกน้ำยาแก่ผู้ที่ไปในงานโดยทั่วถึงกันระหว่างที่พายเรือไปชอยก็พูดคุยอยู่ไม่หยุดปากตามภาษาคนที่กำลังสนุกลื่นเริงทำให้พลอยเบิกบานใจเป็นนักหนาเเรือค่าหลวงตำหนักอื่นกำลังพายไปทางเดียวกันหลายลำลำไหนที่มีคนรู้จักชอยก็ตะโกนทักทายจนบางครั้ง คุณสายต้องออกปากห้ามว่าน้าเกลียดเป็นสาวเป็นนางไม่รู้จักสำรวมเสียบ้างซึ่งก็ทําให้ช้อยสงบเสงี่ยมไปได้เพียงชั่วครู่เดียวแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มพูดคุยชี้ให้พลอยดูโน่นดูนี่ต่อไปอีกระหว่างที่ผ่านกลางทุ่งช้อยก็บอกให้นางพิษคัดท้ายหันหัวเรือเข้าไปกลางทุ่งหลายครั้งหลายหนเพื่อเก็บดอกบัวที่ช้อยเห็นว่าสวยทีละดอกสองดอก ในขณะที่คุณสายก็บงการให้พาดถอนเสบัวขึ้นไว้ในเรือเรื่อยๆจนช้อยขู่ว่าเดี๋ยวเรือจะล่มชิงเลอิอพอตกสายเข้าท้องทุ่งนั้นก็เต็มไปได้วยเรือขนาดต่างๆทุกคนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าหลากสีทุกลำมีแต่เสียงหัวเราะสวนเสเฮฮาและทุกลำมมุ่งหน้าไปยังวัดวิเวกวายุพัฒอันเป็นจุดหมายปลายทางสาหรับวันนี้ เรือลำของพลอยไปถึงวัดเอาตอนสายเต็มที่แดดแข็งแล้วที่นั่นมีเรือไปคอยรับเสด็จอยู่แล้วมากที่เป็นเรือชาวบ้านก็มีเรือข้าราชการและชาววังก็มีทุกคนมีแต่ความรื่นเริงเสมอภาคกันเหมือนกับว่าการกุศลวันนี้เป็นของทุกคน นางพิษคัดท้ายเรือแทรกแซงเรือลำอื่นๆเข้าไปจอดอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้ๆกับทางเสด็จขึ้นเมื่อจอดเรือเรียบร้อยแล้วสักครู่กระบวนเสด็จก็มาถึงวัดเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้านายขึ้นบนวัดเพื่อถวายพระกรถินต่อไปช้อยพลอยและคุณสายยังคงนั่งอยู่ในเรือดูผู้คนที่ผ่านไปมาอย่างเพลิดเพลิน จนเวลาล่วงไปจนถึงกลางวันพลอยเริ่มหิวแต่ก็ไม่ได้ปริปากพูดว่าอะไรระหว่างนั้นเจ้านายเสวยบนวัดส่วนเรือขนมจีนก็เริ่มพายออกแจกอาหารแก่เรือข้างไหนและเรือตามเสด็จต่างๆเสียงช้อยบ่นว่า ฉันหิวจนจะเป็นลมแล้วล่ะเรือขนมจีนไม่เห็นจะผ่านมาทางนี้สักลำอีกประเดี๋ยวถ้ามีผ่านมาใครช่วยกันเรียกด้วยนะฉันจะกินให้อิ่มทีเดียวเกิดมาไม่เคยหิวอย่างนี้เลยก็คุณไม่เคยจับแจวจับภายนี่เจ้าคะวันนี้มาลองพายดูถึงได้รู้ว่ามันหิวยังไงบ่าแล้วก็เคยมาเสียหนักแล้วเดี๋ยวคอยดูนางพิษเถอะ ขนมจีนสักสองลำเรือก็คงจะไม่พอจริงๆนะชอยวันนี้อาก็หิวเหมือนกันได้เปลี่ยนที่เข้าความจริงถ้าเราขึ้นไปข้างบนก็คงได้กินเร็วเข้าหน่อยแต่อาอยากกินในเรือนี่แหละคงจะสนุกกว่าหรือพลอยจะว่ายังไงฉันก็อยากรับประทานในเรือนี่แหละค่ะนานๆจะได้มาอย่างนี้สักทีทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็คงจะได้รับ แม่พลอยเขาเป็นคนช่างอดทนอะไรๆเขาก็ทนได้หิวข้าวหิวน้ำก็ทนได้ทั้งนั้นฉันเองแหละเป็นคนทนอะไรไม่ได้ถ้าขืนเบลขนมจีนไม่ผ่านมาทางนี้เดี๋ยวฉันเห็นจะต้องกินสาสบัวของคุณอารองท้องไปก่อนเสียแรงช่วยถอนเมือเหนื่อยออกแต่ก่อนฉันไม่เคยออกเล่นทุ่งนึกว่าใสบัวมันลอยลอยอยู่เก็บเอาง่ายๆพอลองมาถึงเข้าจริงๆสิถึงได้รู้ว่าไม่นหนักแรงเหมือนกัน กว่าจะได้แต่ละต้นก็แสนจะยากเย็นดึงกันแท้ผัวไหลหลุดทีเดียวสายบัวนะ่ะถอนง่ายอาก็เคยเห็นแต่สายบัวที่นายกรุดุเท่านั้นเองเป็นยังไงล่ะคะสายบัวนาเยกรุดุลพลอยถามขึ้นบ้างอย่างสนใจ คุณสายเล่าว่าเรื่องนี้เกิดก่อนที่พรอยจะเกิดสมัยที่คุณสายยังเป็นสาวๆอยู่นะคะเ ย, ยกรุดเป็นเศรษฐีใหญ่เป็นเจ้าของที่นาเยอะแยะมากมายเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงแล้วก็เป็นคนขี้โม้ใครมีดีอะไรไม่ได้เย่กรุดจะต้องบอกว่าของแกดีกว่าทีนี้เจ้านายเนี่ยนิยมเสด็จบางไปอิน ยายกรุดก็วิ่งเต้นเข้าถวายเนื้อถวายตัวพอมีโอกาสได้เฝ้าแหนก็เที่ยวคุยโวไปเรื่อยว่านาของแกมีอะไรต่ออะไรดีต่างๆร้อยแไม่มีใครสู้นาของแกได้นะคะยายกรุดรู้ว่าเจ้านายโปรดที่จะออกเล่นทุ่งเก็บดอกบัวฝักบัวทางเรือยายกรุดก็คุยว่าทุ่งไหนก็สู้ทุ่งบ้านแกไม่ได้มีทุกอย่างทั้งบัวหลวงบัวสายฝักบัวถ้าเจ้านายจะเสด็จ แกจะรับเสด็จให้ถึงขนาดแกจะหาขนมจีนน้ำพริกเอาไว้เลี้ยงในเรือให้ทรงเก็บดอกบัวฝักบัวแล้วก็ใบบัวอ่อนๆเสวยกับขนมจีนตามสบายพระไทยฟังเยกรุดเล่าก็ดูน่าสนุกเต็มทีแกคุยหนักเข้าเจ้านายก็เลยส่งเชื่อนัดกันว่าจะไปเที่ยวนายเยกรุดให้สนุกสักวัน ฝ่ายยายกรุตแกก็ดีใจได้หน้าตารีบเที่ยวเชิญเสด็จเจ้านายแล้วก็ชวนผู้คนเอาไว้มากที่นี่พอถึงวันนัดยายกรุดก็เตรียมของเลี้ยงเป็นการใหญ่ทำขนมจีนน้ำพริกทอดข้าวเมาใส่เรือเอาไว้คอยแจกแต่มันไปเสียที่ดอกบัวฝักบัวแล้วก็สายบัวที่นายยายกรุตมันไม่ได้มีมากอย่างที่แกไปเที่ยวคุยเอาไว้ ได้กรุดแกก็ไม่ท้อถอยนึกซะว่าขังน้าขังในไม่เคยเห็นถุงเห็นนาจะไปรู้ประสีภาษาอะไรแกก็ให้คนของแกไปเที่ยวเก็บดอกบัวตูมฝักบัวแล้วก็ใบบัวอ่อนจากที่อื่นเอามาผูกไว้กับก้านใบบัวในนาของแกตั้งแต่เช้ามืดปะปนไปกับของจริงที่มีอยู่บ้างใช้เชือกกล้วยผูกเอาไว้ดือด้อที่ใต้น้าอย่างนั้นแหละที่นี่พอตกสาย แดดแข็งเข้าไอผูกดอกบัวฝักบัวที่ผูกเอาไว้ก็ชักใจเหี่ยวคอพับคออ่อนทั้งที่อยู่ในน้ําฝ่ายพวกที่ไปเที่ยวตามที่เยกุตชวนพอเราราวเพลนพายเรือไปถึงหน้าเยกรุตเยกรุตแกก็ดีใจพายเรือมาต้อนรับเสียงแกคุยโวอวดโน่อนอวดนี่อยู่ไม่หยุดปากเชื้อเชิญให้ผู้ที่ไปเล่นทุ่งเก็บบัวตามสบาย ฝายคนที่ไปก็ชักจะเอกใจว่าเอทำไมดอกบัวที่นาเยกรุดหน้าตาไม่เหมือนที่อื่นก็ลองดึงขึ้นมาดูปรากฏว่าไอเชือกกล้วยที่ผูกไว้มันก็ลอยปอขึ้นมาเป็นโจดฟ้องอยู่บนผิวน้ำบางคนไม่ทันได้ดูเห็นดอกบัวสายบัวก็เอื้อมแขนไปดึงเสียเต็มแรงทีเดียวพอมันหลุดขึ้นมาง่ายๆบางคนถึงกับเสียหลักเกือบหงายหลังตกน้าตกท่าไปก็มี ต่างคนต่างพากันเบี่ยไปตามๆกันพอรู้กันทั่วไปว่าถูกต้มบางคนใจดีหน่อยก็หัวรอดเห็นเป็นเรื่องขบขันแต่ส่วนมากพายเรือมากำลังเหนื่อยดีใจนึกว่าจะเล่นให้สนุกพอถูกเยกรุดหล่อเข้าก็ชักจะพื้นเสียบนกันตุบๆตับๆ ต, ต, ตัวเยียกรุดเองก็ชักจะเรียราดเต็มทีทีเดียวแต่แกก็แข็งใจพายเรือเที่ยวชวนคนโน้นคนนี้ให้กินขนมจีน เห็นเขาไม่กินแกก็เริ่มลงมือเปิบเองเอาใบบัวอ่อนๆมากินกับขนมจีนแล้วก็ลออเอะอะว่าอร่อยเสต็มประดาเที่ยวเรียกคนโน้นคนนี้ให้กินต่อไปอีกจนคนกลับข้างในเขาก็บ่นกันออดไปหมดเลยว่าถูกเยกรูดต้มซะสุกตั้งหลายวันถึงได้เห็นขันเดี๋ยวนี้ใครถูกหลอกก็ยังมีคนเรียกกันว่าไปเที่ยวนะเยยกรูดอยู่เลยแต่เด็กรุ่นหลังเนี่ยไม่เคยรู้เพราะเกิดไม่ทันเรื่องมานานมาแล้ว พลอยโมยจะสนใจฟังคุณสายเล่าเรื่องเก่าซะเพลินนะคะก็เลยไม่ทันสังเกตว่าก่อนที่คุณสายจะเล่าเรื่องจบนั้นมีเรืออีกลำหนึ่งพายมาอย่างเงียบๆแล้วก็มาจอดอยู่ข้างๆคือจอดอยู่ข้างๆชนิดที่ว่าแคมเรือติดกันพอดีพอคุณสายเล่าเรื่องจบลงระหว่างที่พลอยกับชอยเนี่ยกําลังหัวเราะขำด้วยความขบขันนะคะก็มีเสียงหนึ่งซึ่งเป็นเสียงผู้ชายพูดขึ้นว่า คุณอาขอรับกระผมเห็นคุณอาจอดอยู่นานแล้วยังไม่ได้รับประทานกระผมเลยไปเรียนคุณหญิงเจ้าคุณกรุงขอประทานเรือขนมจีนมาให้ทั้งลำคนเรือเขาไม่รู้จักกระผมเลยต้องลงเรือพาเข้ามาเองที่นี่พลอยนั้นขนลุกเกลียวเมื่อได้ยินเสียงจะเป็นเพราะสังหรในใจหรืออย่างไรก็ไม่รู้ได้ทั้งพลอยทั้งช้อยเลี้ยวไปดูพร้อมๆกัน แล้วก็เจอจริงๆค่ะเจอเรือที่มาจอดเทียบบรรทุกขนมจีนแล้วก็เครื่องขนมจีนมาจนเกือบเพียบเจอผู้หญิงหน้าตาเป็นคนบ้านนอกคนนึงนั่งพาอยู่ท้ายเรือและที่สําคัญเจอคุณเปรมนั่งยิ้มกลิ่มมองไปทางคุณสายโดยที่ไม่ได้ชมเลืองแลมองมาทางพลอยเลยนะคะคือทําเป็นไม่สนใจ พอพลอยเห็นก็รีบผันหน้ากลับมาทันทีในขณะที่นางพิษก็มีเสียงสำลักน้ำหมากกระแอมกระอายอยู่้า้เรือคือทุกคนมีปฏิกิริยากันหมดเลยจำได้ใช่ไหมคะว่าชอยกับนางพิษเนี่ยเคยเล่นละครแล้วก็หลอกด่าคุณเปรมซึ่งซึ่งหน้าคุณสายนี่ไม่รู้เรื่องคุณสายก็พูดขึ้นว่าพอเปรม พ่อทูนหัวของอาถ้าไม่ได้พ่อวันนี้อาเห็นจะหิวข้าวเป็นลมตายอยู่ที่นี่เองพ่อช่วยชีวิตอาและน้องๆไวแ้แท้ๆทีเดียวคุณอาคะฉันยังไม่หิวเท่าไรหร่หรอกคะ่ะรอเรือขนมจีนลำหลังดีกว่าลำนี้เนี่ยให้เขาไปเลี้ยงเรืออื่นซสก่อนเถิดชอยพูดโดยที่ไม่หันหน้าไปทางคุณเปรมลคะค่ะไห้ใหญ่ชอยนี่ พูดกลับไปกลับมาก็ไหนเมื่อกี้บนว่าหิวข้าวจะเป็นลมพอมีขนมจีนมาถึงเกิดบอกว่าไม่หิวซะแล้วฉันไม่รู้ละใครไม่หิวฉันหิวมัวแต่เล่นตัวอยู่พอดีไม่ได้กินกันดูสิของเขาก็ทำหน้ากินออกพอเปรมจอดเปรืออยู่ตรงนี้แหละอย่าพึ่งไปไหนอ่ะแม่พ้อยกินซะสิอย่าไปฟังยายช้อยหน่อยเลยผิดเวลา เดี๋ยวจะเจ็บไข้ไปคุณสายก็สั่งให้คนเรือเนี่ยตักขนมจีนแจกคนในเรือนะคะคือช้อยนี่นั่งหัวเรือแล้วก็มาปล่อยคุณสายแล้วก็มีพิษกับพาร์ตเนี่ยภายท้ายเรือนะคะคนอยู่ท้ายนี่ถือว่าเป็นคนสําคัญเพราะว่าเป็นคนบังคับทิศทางใช่หไหมคนคัดท้ายสาวๆก็นั่งหัวเรือคุณเปรมเนี่ย ก็ทํำท่าสนใจคนคนกลางเรือก็คือคือคุณสายนั่นเองนะคะทําท่าไม่สนใจสาวๆที่นั่งอยู่หัวเรือแล้วก็ไม่ได้คุยด้วยคุณอาท่าจะออกแต่เช้านะขรับค่ะมาแต่เช้าก็แม่สาวๆเหล่านี้แหละก็ตื่นเต้นกันฉุดเอาชั้นลงเรือมาด้วยแล้วพบเรมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมมาเรือมหัดเล็กอีกลำหนึ่งออกเรือมาแต่เช้าเหมือนกัน แต่วันนี้ไม่ใช่เวรผมก็ค่อยยังชั่วหน่อยครับทีแรกผมอยู่บนวัดมองไปเห็นเรือคุณอาเข้ารู้ว่าน่าจะหิวก็เลยไปพาเรือขนมจีนเข้ามาให้ฟังดูดีมากๆเลยนะคะพ่อคุณขอให้พ่อจำเริญจเริญขึ้นไปเถอะถ้าไม่ได้พ่อก็เห็นจะต้องท้องแห้งกลับแน่ๆผู้คนออกมากมาย เขาจะไปดูไปแลได้ทั่วถึงขนมจีนอร่อยจริงๆเสียด้วยฉันชอบกินขนมจีนหัวเมืองอย่างนี้แหละเส้นเ้าเหนียวดีอย่างนี้ในกรุงหากินไม่ค่อยจะได้ในขณะที่คุณสายกําลังเจรจาต้าอ้วยอยู่กับคุณเปรมนะคะพลอยก็นั่งก้มหน้าดูจานขนมจีนของตัวเองอยู่พักใหญ่ไม่แน่ใจว่าจะกินหรือไม่กินดีจริงๆนี่อยากกินนะคะ แต่สมองเนี่ยบอกว่าอยากกินถึงจะเป็นขนมจีนของเลี้ยงไม่ใช่ขนมจีนของคุณเรมแต่ก็เป็นคุณเรมพามาให้ถ้ายอมกินขนมจีนก็เหมือนกับว่าทอดสะพานออกไปรับเขาครึ่งหนึ่งพลอยก็บอกตัวเองว่าถึงท้องจีหิวอย่างไรก็ควรจะต้องทนเอาอดมื้อสองมื้อจะเป็นอะไรนักหนาดีกว่าที่จะต้องมานั่งกังวลทีหลัง แล้วก็นึกถึงเรื่องพี่เนื่องนะคะพร้อมกับสอนตัวเองว่าเรื่องที่แล้วมาเนี่ยยังไม่เข็ดอีกหรออืมพลอยมองดูจานขนมจีนน้าพริกที่คุณสายส่งมาให้แล้วก็หืมกลืนน้าลายเลยมันช่างน่ากินอะไรเช่นนี้ขนมจีนราดน้ําพริกแต่พอดิบพอดีมีผักทอดวางเอาไว้ข้างหนึ่งมีพริกทอดเม็ดหนึ่งมีใบบัวอ่อนใบกรถินไข่ต้มมองแล้วก็ตาลายคือของน่ากิน แล้วก็กำลังหิวอย่างที่สุดนะคะบรรยากาศก็ดีในขณะที่พลอยกำลังละล้าละลังนางพิษก็บอกว่าคุณพลอยรับข้าวเสถิ ด, ดอย่ารีรอไปเลยเดี๋ยวจะไม่สบายเสียงนี้ทำให้พลอยต้องทำตามเพราะนางพิษพูดเชิงคอร้องแกมบังคับนะคะเหมือนกับที่เคยใช้กับพลอยเมื่อพลอยยังเป็นเด็กเล็กๆที่นางพิษเคยเลี้ยงมา พลอยก็เลยหยิบชามขนมจีนมาวางตรงหน้าแล้วก็เอื้อมมือไปสกิดช้อยชวนให้กินด้วยกันช้อยเหลียวมาเลิกคิ้วมองพอเห็นพลอยเริ่มจะลงมือกินขนมจีนก็พูด o o e อูอีอยู่ในคอว่ากินก็กินแล้วก็หยิบชามขนมจีนของตนเนี่ยมาวางกระแทกตรงหน้าลงมือเปิบเข้าปากเพราะชอยเองก็หิวเต็มทีเหมือนกันสรุปว่า เก็กได้ไม่ตลอดนะคะในขณะที่คุณเปรมเนี่ยก็พูดจาปรนนิบัติคุณสายอยู่กลางลําเรือคอยถามว่าคุณสายต้องการอะไรอีกบ้างไหมแล้วก็คอยตัดของกินนูนน่นนี่นั่นส่งเพิ่มเติมมาเรื่อยๆคุณสายก็บอกขอบอกขอ บ, อขอบใจให้ศี้นให้พรไม่ขาดปากฉันดีใจจริงๆที่เห็นพ่อเปรมเติบโตเป็นหลักเป็นฐานเมื่อเด็กๆเห็นเคยเข้ามาวิ่งอยู่ในวังหน้าตาขี้โรคออก เดี๋ยวนี้ดูแข็งแรงดีไม่เจ็บไม่ไข้ฉันก็พลอยดีใจด้วยนึกถึงเรื่องเก่าๆฉันก็ยังคิดถึงคุณแม่พ่อเปรมอยู่เสมอฉันรักท่านมากน้ำใสใจคอไม่มีใครเปรียบโอบอ้อมอารีเผื่อแผลก็เท่านั้นฉันยังจำได้ทุกวันนี้ตรุจจีนาศาสตร์จีนแล้วก็เป็นมีของข้าวมาแจกพวกฉันเสมอไม่น่าจะอายุสั้นเลยอาพ่อเปรมอีกสองคนก็ชอบกันมาก เมื่อครั้งอยู่ที่ตำหนักท่านองค์ใหญ่ฉันเคยไปมาหาสู่เสมอแต่พอออกจากวังไปแล้วก็กระจัดพรัดพรายกันไปไม่ค่อยได้เจอกันเดี๋ยวนี้สบายดีหรือคุณอานุ่ยสบายดีขอรับคุณอาเนียนก็เจ็บกระสอบ ก, กระแสะตามเรื่องยังพูดถึงคุณอาอยู่ทั้งสองคนนั่นนะสิฉันก็คิดถึงอยู่เสมอฉันรักพ่อเปรมแต่เด็ก ตอนที่มาวิ่งเล่นอยู่ที่แม่นุ้ยกับแม่เนียนนี่แหละคิดไปแล้วพ่อเพรมกับฉันก็เหมือนกับพี่น้องกันไม่ใช่คนอื่นมีธุระป่าปังอะไรก็ไหว้วานกันได้พ่อเปรมอย่าได้เกรงใจฉันเลยเป็นพระคุณขอรับผมไม่มีธุระอะไรหรอกระหว่างนี้ว่าแต่คุณอาเธอขอรับอยู่ข้างในไปไหนมาไหนลําบากมีธุระทางข้างนอก ก็ขอให้คนออกมาบอกผมยินดีรับใช้สนองพระเดชพระคุณทุกอย่างขอบใจพ่อคุณพ่อพูดอย่างนี้อาก็ปลื้มใจพอแล้วทุระปากปังอะไรก็ไม่ค่อยมีร้อกพ่อเปรมคนแก่อย่างอาจะไปมีเรื่องอะไรมากอยู่รอความตายไปวันหนึ่งๆเท่านั้นเอง คุณเปรมหัวเราะนะคะแล้วก็บอกว่าคุณอา ย, ยังไม่แก่หรอกครับเมื่อกี้ผมเห็นนั่งมาในเรือยังนึกว่าสาวๆที่ไหนมาต้องดูอีกทีหนึ่งจิงจําได้ทีแรกนึกว่าสาวๆทั้งลํา๋อโหคุณสายก็หัวเราะชอบใจนะคะเสียงนางพิษหัวเราะลงลูกคอแล้วก็พูดอยู่ท้ายเรือกับผาดว่า ผาดเอ้ยเราสองคนนี่เห็นจะยังไม่อับจนหรอกนะพลอยนั้นนั่งกินขนมจีนไปพรางก็คิดไปพรางว่าคุณเปรมจะทำอย่างไรต่อไปโดยเฉพาะเมื่อคนในเรือลำที่ตนนั่งมากินขนมจีนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยากรู้ว่าจะมาแผนคือคล้ายๆกับ จะมาไม้ไหนอีกทำนองนั้นและในขณะที่นั่งกินขนมจีนอยู่พรอยก็สงสัยว่าคุณเปรมที่นั่งอยู่ข้างหลังคือคุณเปรมเนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังพรอยเพราะฉะนั้นพรอยก็ไม่รู้ว่าคุณเปรมมองมาที่มาที่ตนบ้างหรือเปล่าพรอยก็มองไปทางช้อยซึ่งนั่งอยู่หัวเรือสุดว่าจะแสดงกิริยาอาการอย่างไรก็เห็นชอยเนี่ยนั่งกินขนมจีนแบบสีหน้าบอกบุญไม่รับ ไอครั้นที่พลอยจะเหลียวไปข้างหลังก็ไม่กลา้าเกรงว่าจะไปศใสายตาเข้ากับคุณเปรมเข้าพลอยก็เลยนั่งตัวแข็งอย่างไม่สบายใจอยู่นานจนกระทั่งคุณสายเรียกให้รับเข้าเม้าทอดซึ่งส่งมาจากเกลือขนมจีนพลอยจึงได้เหลียวหน้าไปปรากฏว่าเปล่า คุณเปรมมิไดแสดงกิริยาอาการว่าสนใจพลอยแต่อย่างใดนะคะคุณเปรมยังคงพูดคุยกับคุณสายเป็นปกติมิหนำซ้ำํานั่งเยื้องตัวแล้วก็หันหน้าไปทางท้ายเรืออีกมือหนึง่งเกาะแคมเรือที่พลอยนั่งอยู่นั้นไว้เหมือนกับว่าทางหัวเรือนั้นไม่มีใครที่น่าสนใจอยู่เลยคือทําเป็นไม่สนใจซะอีกไม่ใช่ว่าไม่มองอย่างเดียวนะคะเหมือนกับพลอยกับช้อยเนี่ยเป็นอากาศธาตุ ในขณะที่นางพิษกับพาดซึ่งกำลังกินขนมจีนอยู่ท้ายเรืออย่าง อ, ร, อร่อยนั้นดูเหมือนจะเป็นคนสำคัญมากกว่าพรอยซะอีกพรอยก็เลยสะบัดหน้ากลับมาทันทีแล้วก็ส่งข้าวเม้าต่อให้ชอยไม่นึกอยากกินอะไรต่อไปอีกด้วยความงอนว่ามีอย่างเหรออุตส่าห์เอาเรือขนมจีนภายมาส่งทั้งลำมาถึงเข้าจริงกลับมานั่งทาเป็นทองไม่รู้ร้อนเหมือนกับว่าในโลกนี้เนี่ยมีแต่คุณอาสา ย, ยูคนเดียว นี่แหละค่ะคือผู้หญิงจริงๆเลยนะคะพอเขาสนใจก็จะโกรธโมโหไม่พอใจแต่พอเขาไม่สนใจก็งอนค่ะทีนี้พอเสร็จจากการกินขนมจีนคุณสายก็ใหเ้เรียกว่าให้สีนให้พอนอีกยกใหญ่อ่ะนะแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณสายนี่จะปลื้มคุณเปรมเสียเหลือเกินปรากฏว่าคุณเปรมก็ลากลับ โดยที่ไม่ได้อ้อยอิงอยู่ต่อไปอย่างที่พลอยคาดเอาไว้คือพลอยนยคาดว่าเดี๋ยวเคยดูเถอะคุณเปรมเนี่ยจะต้องพยายามหาเรื่องอยู่ต่อจะต้องไม่กลับนะคะปรากฏไม่ใช่ถึงเวลาก็ลากลกลับไม่ที่สนใจอะไรพลอยเลยผิดคาดค่ะพอคุณเปรมกลับไปสักครู่หนึ่งชอยก็เลยพูดขึ้นว่าคุณอาคะกลับเถอะไม่เห็นจะมีอะไรเลยฉันเบื่อแล้วล่ะ คุณสายก็เห็นด้วยว่ากับสถทีก็ดีเหมือนกันเพราะว่าบ่ายนะเดี๋ยวแดดจะร้อนนะคะช้อยก็เลยเอาพายค้าตลิงอย่างแรงเพื่อถอยหลังเรือออกทำให้เรือโครงน่ากลัวคุณสายก็เลยตกใจพลั้งปากทําอะไรต่ออะไรตกลงน้ำไปเป็นก่องนะคะแล้วก็ต่อว่าช้อยอีกขนาดใหญ่แทบจะตัดอาตัดล้านกันทีเดียวแต่ช้อยก็ทาเฉยซะ เบนหัวเรือออกแล้วก็พอพายเรือหลีกเรืออื่นๆกลับมาได้ก็ตั้งลำเรือมุ่งหน้ากลับพระราชวังข้ามทุ่งที่ผ่านไปเมื่อเช้าและระหว่างที่กำลังพายเรือกลับนั่นเองค่ะชอยส์ก็เลยถามขึ้นเลยลอยว่าคุณอาคะคนเม่กี้น่ะใครกันคนไหนล่ะคนเมื่อกี้ก็ค น, น, คนคที่เขาพาเรือขนมจีนมาให้นั่นไงคะอ๋อคนนั้นนั่นเหรอคุณเปรม ลูกเจ้าคุณจันยาหลานเจ้าคุณโชดึกไงหลับเขาเป็นมหาดเล็กอยู่ถ้าไหวาตัวมาได้หลายปีแล้วคอยดูไปเถอะเด็กคนนี้จะได้ดีชอยก็เลยสงสัยว่าแล้วคุณอาไปรู้จักกับเขามาตั้งแต่เมื่อไหร่กันโอ้ยตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเข้ามาวิ่งอยู่ในวังคุณหญิงเสริมแม่เขาฉันก็รู้จักแล้วก็อาเขาอีกสองคนแม่เนียนกับแม่นุ้ย เขาเคยอยู่ตำหนักท่านองค์ใหญ่เป็นเพื่อนของฉันทั้งสองคนนะดูคุณอาพูดสิช้อยร้องลั่นในขณะที่คุณสายก็ทำเสียงตกอกตกใจว่าโอ๊ยไม่ใช่เพื่อนอย่างนั้นหรอกยายบ้าเพื่อนชอบพอคุ้นเคยกันต่างหากเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้ ก็คุณอาพูดออกมาเองนี่ฉันจะไปรู้เหรอแล้วก็เห็นปลื้มพ่อเปรมพร่อปริมนี่ออกจะตายไปฉันก็ไม่รู้ว่ามีอะไรกันอยู่นะซีแกอย่ามาหาความฉันดีนะใหญ่ช้อ ย, า ย, ช, อยชาววังรุ่นฉันไม่เหมือนสมัยนี้หรอกรำคาญตารำคาญใจจะตายเสียแล้วฉันน่ะชอบกับอาเขามากแล้วพ่อเปรมเขาก็เรียกฉันว่าอามาตะเด็กนานๆพบกันทีเขาก็จาได้ไม่ทอดทิ้ง อุตส่าห์ไปตามเรือขนมจีนมาให้กินฉันก็ต้องปลื้มใจตามประษาของฉันฉันไม่เหมือนหล่อนนี่จะได้นั่งทำตัวแข็งราวกับคุณข้างในใหญ่โตกันเสีย จ, จริงแม่เอ้ยจะออกปากเป็นไมตรีให้เขามีน้ำใจสักคำก็ไม่มีคำพูดของคุณสายเหมือนว่าจะกระทบมาถึงพลอยด้วยนะคะแต่พลอยก็ทำเป็นภายเรือเฉยเสียแต่ในใจนั้นลุ้นค่ะ ลุ้นให้คุณสายเล่าเรื่องเกี่ยวกับคุณเปรม <ine> ให้มากกว่านี้แล้วก็ได้ฟังจริงๆนะคะเพราะคุณช้อยหรือว่าไม่ช้อยเน <c oughs> <realm> ี่ยก็เป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นนะเนอะก็ถามต่อไปว่าคุณอาขาคุณเปรมเนี่ยเขามีพี่น้องอีกไหมคะก็เท่าที่ฉันรู้เขาเป็นลูกคนเดียว เขาว่ากันว่าคุณหญิงเสริมท่านหึงนักเจ้าคุณงี่กลัวลนลานแต่คุณหญิงตายมาสักสองสามปีที่แล้วป่านนี้เขาจะมีน้องเล็กๆอีกหรืออย่างไรก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉันเองก็เพิ่งจะมาพบเข้าวันนี้ไม่ได้พบกันหลายปีเต็มทีและเจ้าคุณพ่อก็เป็นใครกันคะคุณอาบ้านอยู่กรมท่าซ้ายเป็นเศรษฐีใหญ่ทีเดียวบ้านตึกก็อยู่ริมคลองพ่อยม ฉันเคยไปเที่ยวกับแม่นุย้ยเขาขนหนึ่งโอ้ยเขาร่ำรวยกันเหลือเกินละในห้องคุณหญิงฉันยังได้เห็นทองเป็นหีบหีบวางจากพื้นไปจนเกือบจดฟากข้าถาดผู้คนเขาก็มากทั้งจีนทั้งไทยคุณเปรมเขาเป็นลูกคนเดียวแล้วยังไม่มีย่ามีเรือนนิสัยใจคอกิริยามารยาตรูปสมบัติทรัพสมบัติเขาก็ดีพร้อมคนอย่างนี้ใครได้ไปก็นับว่ามีบุญ จริงสิคะคุณอารักกับเขานักขอให้หลานเสียไม่ได้หรือคะชอยพูดหน้าตาเฉยเฮ้ยนางพิษนางพิษกับนางผ่านนี่ก็เรียกว่าหากันลั่นมาจากท้ายเรืองในขณะที่คุณสายก็ตายพูดอะไรอย่างนั้นนี่เคราะดีนะว่ามีแต่พวกเรากันเองทั้งนั้นไม่มีใครได้ยิน ในขณะที่ชอยก็บอกว่าเอา้าก็ฉันอยากจะมีบุญบ้างนี่คุณอาจจะได้หมดหัวไงเอออย่าชอยเอออย่าชอยคนอย่างแกใครเขาได้ไปฉันก็ขายหน้าเขาเลิกพูดบา้บาบา้บาบอๆสัทีเถิดโตเป็นสาวแล้วแกไม่อายเขาฉันอายชอยหัวเราะชอบใจเออฉันนี่เห็นจะแกตายอยู่ในวังนี่เอง ชาตินี้ทั้งชาติช่างไม่มีใครมองเสียบ้างเลยผู้ใหญ่ของเราก็ไม่เป็นใจเสียด้วยฮึม๋มชอยก็ทําเป็นถอนใจใหญ่แล้วก็พายเรือต่อไปอีกครู่ใหญ่แล้วก็ถามคุณสายขึ้นมาเฉยๆว่าคุณอาคะเมื่อคุณอาสาวๆเคยมีใครเขามองบ้างหรือเปล่าคุณอาเคยคิดจะมีเย่ามีเรือนบ้างหรือเปล่าคะ้อเอาอะไรมาถามไม่ใช่เรื่องของเด็กจะรู้ไปทําไม โธ่ฉันก็อยากรู้บ้างสิคะคุณอาไม่เห็นเล่าอะไรให้ช้อยฟังบ้างเลยฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าคนอย่างคุณอาเนี่ยอะไรๆก็ดีหมดแล้วก็ไม่เห็นจะขี้ริ้วขี้เรศตรงไหนทําไมถึงอยู่ตัวคนเดียวมาจนถึงป่านนี้ก็ไม่รู้ถามไปแล้วปรากฏว่าคุณสายเนี่ยไม่โกรธเอ อาก็ไม่รู้สิของอย่างนี้มันแล้วแต่บุญแต่กรรมแต่มาคิดดูเดี๋ยวนี้ก็ดีเหมือนกันถ้ามีเรือนไปเสียแต่เมื่อ ย, ยังสาวสาวป่านนี้จะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้คงจะมีเรื่องที่จะต้องทุกข์ร้อนมากกว่านี้เป็นแน่แก่ลงแล้วเราอยู่ตัวคนเดียวมันก็สบายไปอย่างจะว่าเป็นเคราะมันก็เป็นจะว่าเป็นบุญ ก็เป็นบุญคุณสายพูดอย่างใจลอยเหมือนกับว่าคำพูดของช้อยนั้นไปสะกิดความหลังที่ฝังอยู่ในหัวใจมาเนิ่นานานนักหนาพรอยกับช้อยนิ่งฟังเงียบทั้งสองคนเสียงภายกระทบน้ำเป็นครั้งคราวนาน น, านหนมีเสียงท้องเรือครูดไปกับเสียงออของกอย้าในท้องทุ่งก็เรียกว่าทุกคนนี่ก็ตั้งอกตั้งใจฟัง ในสิ่งที่คุณสายเล่าให้ฟังคุณสายก็เล่าต่อไปเหมือนกับกำลังพูดมาจากที่แสนไกล30สปีได้แล้วกระมังคิดดูก็เหมือนเมื่อวันซืนมีคนเข้ามาชอบฉันคนหนึ่งอย่าไปเอาชื่อเขาเลยเดี๋ยวนี้พบกันก็ไม่รู้จักกันเสียแล้ว ตอนนั้นฉันยังสาวสติปัญญาอะไรก็ไม่ค่อยจะมีทีแรกไม่รู้ว่าเขาชอบผ่านกันทีไรเขาก็มองเรายังเป็นเด็กๆ ก, ก็ไม่ได้สนใจแต่เขาก็พยายามเข้าหาทั้งทางผู้ใหญ่และทางพวกพ้องแล้วก็มีคนตําหนักเดียวกันอีกคนหนึ่งอย่าไปรู้ชื่อเขาเลยคนคนนี้อยู่กันมากับฉันตั้งแต่เด็ก อย่างช้อยกับพลอยนี่แหละเป็นคนคุ้นเคยกันทางบ้านเขาชอบพอกับคนคนนั้นเขาก็ช่วยชักช่วยนำให้รู้จักรับของเข้ามาให้บ้างรับหนังสือมาให้บ้างเป็นคนวิ่งเต้นติดต่อให้ทุกอย่างทำตัวเป็นแม่สื่อทีเดียวตอนนั้นฉันยังเด็กก็พลอยลุ่มหลงเขาแต่จะเป็นบุญหรือว่าเป็นกรรมก็ไม่รู้ คุณปู่ของช้อยท่านไม่เห็นด้วยท่านบอกว่าฉันยังเด็กนักให้รอไปก่อนใจฉันก็อยากจะรอไปก่อนต่างคนรีร ร, รอรอแม่คนที่เขาทำตัวเป็นแม่สื่อเขาก็ยังติดต่ออยู่เรื่อยๆสักปีหนึ่งหรือว่าสองปีได้กระมังวันหนึ่งเขาก็สั่งให้เข้ามาบอกฉันว่าเขารอไม่ไหวแล้วให้ฉันออกไปพบเขาที่ประตูวังเขาจะพาหนี แล้วมาเขามาทีหลังผู้ใหญ่ท่านคงไม่ว่าแต่ฉันไม่ยอมกลัวจะขายพระพักเสด็จเพราะท่านทรงพระเมตตาฉันมากฉันก็สั่งแม่คุนนั้นแหละให้กลับไปบอกว่าให้รอไปก่อนที่จะให้ตามกันไปนั้นฉันทำไม่ได้คุณสายนิ่งเมื่อพูดจบเหมือนกับว่าเรื่องที่เล่านั้นจบลงแล้วแต่ช้อยยังไม่พอใจ แล้วยังไงเขาคุณอาเดี๋ยวนี้ยังรอกันอยู่อีกหรือคะเมื่อไหร่คุณอาจะโปรงใจสักทีถามแบบนี้น่าจะโดนนะคะแต่ปรากฏว่าแทนที่คุณสายจะเอ็ดช้อยว่าล้อเลียนคุณสายกลับหัวเราะเบาๆอย่างคบขันแล้วก็พูดเป็นปกติว่าเปล่าเขาไม่ได้รอฉันหรอกพอเขารู้ว่าฉันไม่ยอมตามเขาไปเขาก็ไปตามเรื่องของเขา ไปยังไงคะตามเรื่องของเขาเขาก็ชวนแม่สื่อนั่นแหละหนีตามเข้าไปแต่วันนั้นแล้วกันช้อยร้องขึ้นแล้วก็หัวเราะท้องคัดท้องแข็งนั่นสิคิดดูเดี๋ยวนี้มันก็หน้าหัวเราะจริงๆคนอะไรก็ไม่รู้แปลกพิลึกหล่าแต่ตอนนั้นฉันหัวเราะไม่ออกทั้งโกรธทั้งเสียดายทั้งขมขื่นในใจความจริงจะว่าเสียดาย ก็ไม่ได้เสียดายอะไรนะเพราะจะว่าฉันชอบเขาจริงจังก็ไม่ได้ถ้าจะเรียกว่าลุ่มหลงไปพักนึงแล้วก็ว่าไม่ถูกที่โกรธที่เสียใจก็เพราะพวกเดียวกันเองมาทํากันได้แม่นั่นสนิทสนมกับฉันมากเสียด้วยแต่ก็นั่นแหละไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นนานเข้ามันก็จางไปเองเมื่อนึกดูเรื่องเก่าๆ เ, เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับเรื่องของคนอื่นทั้งเพไม่เกี่ยวกับตัวเลย เล่ามาถึงตอนนี้ชอยก็ยังคงสงสัยอีกนะคะว่าแล้วต่อมามีใครอีกหรือเปล่าคะคุณอาก็ไม่เห็นมีตั้งแต่เกิดเรื่องนั้นสเสด็จท่านก็หางานให้ทำจนเกือบไม่มีเวลาหายใจพอรู้ตัวว่าว่างลงฉันก็แก่เสียแล้วเป็นบุญไปอย่างหนึ่งฉันเคราะห์ดีที่มีสเสด็จท่านเป็นร่มโพร่มใส่ถ้าไม่มีท่าน ฉันก็คงจะลำบากเพราะตัวคนเดียวจริงๆจะหวังพึ่งพี่น้องก็คงไม่ได้เขามีกังวลของเขามากพออยู่แล้วพรอยฟังเรื่องที่คุณสายเล่าอย่างสนใจมาโดยตลอดพรอยไม่เคยคิดมาก่อนว่าคุณสายเองจะเคยผ่านความผิดหวังแล้วก็ความโทมนัสในเรื่องของความรักมาเหมือนอย่างที่พรอยเคยผ่านมาแล้วหยกหยกคุณสายบอกว่า เวลาเป็นยาสมานทําให้แผลในหัวใจนั้นหายได้แต่แผลในหัวใจของพลอยเล่าทําไมยังเจ็บอยู่หรือว่าเวลาจะยังคงสั้นไปหรือว่าหรือว่าจะเป็นเพราะหัวใจของพลอยไม่แข็งแรงเท่าหัวใจของคุณสายแต่อย่างไรก็ตาม ความหลังของคุณสายที่เพิ่งจะมาเปิดเผยนั้นถึงแม้ว่าทั้งคุณสายและช้อยจะเห็นว่าเป็นเรื่องขบขันก็ตามแต่ความรู้ที่ได้รับนั้นทำให้พลอยอุ่นใจขึ้นมากเพราะอย่างน้อยก็แสดงว่าในโลกนี้มีคนอื่นที่เคยได้รับความทุกข์โทมนัสเพราะพลาดหวังมาแล้วเหมือนกับที่พลอยเคยเจอมิใช่ว่าพลอยเพิ่งมาได้รับทุกข์นั้นแต่คนเดียว เดินทางกลับจากบางไปอินมากรุงเทพด้วยทางเรือเนื่องเพราะเสด็จปรับสั่งว่าพลอยจะได้เห็นแม่น้ำลำคลองเสียบ้างเพราะว่าขาไปเนี่ยไปทางรถไฟใช่ไหมคะในปีนั้นเป็นปีรอศ1นึรอพอกลับมาถึงวังได้ไม่นานก็เกิดความตื่นเต้นนิยมขี่จักรยานหรือที่เรียกกันในสมัยนั้นว่ารถไบซิเกิลอย่างขนาดใหญ่คือมีแฟชั่นใหม่ สมัยนั้นแฟชั่นอะไรก็ต้องเข้ามาที่วางก่อนนะคะเจ้าหน่ายข้างในเกือบทุกพระองค์ก็หัดทรงจักรยานกันแม้แต่พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงหัดอยู่พักหนึ่งที่สวนเต่าแต่แล้วก็เลิกไปคงเหลือแต่ข้างในหรือว่าฝ่ายในที่ถีบจักรยานกันอยู่แทบทุกวันความนิยมถีบจักรยานเริ่มจากเจ้าหนายและคุณจอมแล้วก็เริ่มแพร่หลายไปถึงคนตามตาหนักต่างๆ แล้วก็กลายเป็นการประกวดประคันกันในเรื่องที่ว่ารถของใครจะดีกว่าใครในสมัยนั้นราคาของบอยซิเกิลหรือว่าจักรยานคันหนึ่งหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าถูกนะคะใครที่มีฐานะดีร่รํารวยก็ซื้อได้ก่อนแล้วก็ซื้อแสดงแก่คนอื่นๆที่ยังไม่มีเรื่องใครถีบจักรยานเป็นหรือยังใครซื้อรถใหม่จากไหนยี่ห้ออะไรก็เป็นเรื่องที่คุยกันได้ทุกวันไปไม่มีจืดละค่ะ ในส่วนของช้อยนั้นถีบจั ก, กรยานเป็นก่อนคนอื่นๆในตาหนักเพราะว่าเรื่องนี้นี่เข้าทางช้อยเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าช้อยนี่ก็เป็นคนที่ชอบอะไรโลดผนโจรทยานแบบนี้อยู่แล้วและช้อยเองก็เป็นคนที่มีเอ่เนนอเป็นคนที่มีพวกพองมากก็เริ่มหัดด้วยจั ก, กรยานที่ไปขอยืมมาจากคนอื่นโดยช้อยจะหายหน้าหายตาไปจากตําหนักทุกวัน พอตกเย็นก็เดินขโยขเอยกลับมาพร้อมด้วยปาดแผลฟกช้ำดำเขียวในที่ต่างๆหัดอยู่ไม่กี่วันคะ่ะคนกล้าคนเก่งอย่างชอยก็เป็นนะคะและภายในเวลาเราๆสองอาทิตย์ชอยก็สามารถถีบจักรกยานแบบโลดโผนให้พลอยดูได้เช่นปล่อยมือบ้างพับขาขึ้นข้างหนึ่งแล้วก็ถีบต่อไปบ้างทำให้พลอยนั้นโอโหแมนเลื่อมใสในความเก่งกล้าของชอยเหลือเกินนะคะคือทุกคนเนี่ย ทึ้งช้อยกันหมดเลยว่าโหไม่ใช่ขี่เป็นธรรมดาธรรมดานะแต่ขี่แบบผ่าผลโจรทยานด้วยใครๆก็ทึ่งยกเว้นคุณสายซึ่งนั่งพยากรว่าวันหนึ่งช้อยคงจะต้องช้ำในตายหรือว่าคอหักตายหรือตายในลักษณะไม่เป็นมงคลต่างๆเป็นแน่ทีนี้วันหนึ่งเสด็จตัดสินพระไทยที่จะทรงหัดจั ก, กรยานบ้าง แน่นอนนะคะวันนั้นชอยก็มีโอกาสได้ทําหน้าที่นี้ด้วยความภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าเมื่อเสด็จรับสั่งให้ถามหาคนถีบจักรยานเป็นในตำหนักไม่มีเลยนะคะยกเว้นช้อยที่เป็นอยู่คนเดียวชอยก็เลยได้รับหน้าที่นี้แล้วก็มีหน้ามีตาขึ้นมากมายชอยหัดเกินกระทั้งเสด็จทรงถีบเป็นแล้วนะคะแล้วชอยก็ได้รับประทานจักรยานใหม่เอี่ยมหนึ่งคันเป็นรางวัลอืม ทำให้ช้อยดีใจมากกว่าครั้งใดๆที่พลอยได้เคยเห็นเป็นรางวัลที่หัดให้เสด็จทีบจักรยานจนเป็นนะคะทีนี้เมื่อเสด็จเริ่มทรงจักรยานพลอยก็รู้ว่า การถีบจักรยานคงไม่ได้เป็นเพียงแฟชั่นเล่นสนุกสนุกลละ่ะแต่คงจะต้องเป็นหน้าที่ที่ตนจะต้องหัดถีบจักรยานบ้างเพราะว่าเมื่อเจ้านายเริ่มทรงจักรยานออกจากวางไปสวนดุสิทธิ์ถ้าหลวงตามเสด็จก็ควรจะต้องถีบจักรยานเป็นเมื่อรู้ว่าเป็นหน้าที่พลอยก็เลิกกลัวเลิอกอายตั้งหน้าบากบั่นหัดถีบจักรยานกับเขาบ้างล้มลุกคลุกคลานอยู่หลายวันได้บาดแผลหลายแห่งแต่ในที่สุด พลอยก็หัดจักรยานจนเป็นพอทีจักรยานเป็นความตื่นเต้นเรื่องรถก็เข้ามาจับหัวใจพลอยอยากได้รถจักรยานกับเขาบ้างค่ะใครจะพูดกันถึงเรื่องรถว่ายี่ห้อไหนดีไม่ดีพลอยก็เที่ยวสนใจฟังแล้วก็จดจำเอาไว้ผู้ที่พวกร้องทางบ้านฐานะดีก็สั่งให้ทางบ้านซื้อส่งเข้ามาอวดกันทาให้พลอย มองดูแบบตาละห้อยเลยทีเดียวเพราะถึงแม้ว่าพลอยจะถีบจักรยานเป็นแต่ก็ยังต้องอาศัยรถคนอื่นเขาถีบอยู่นั่นเองส่วนมากก็เป็นรถของช้อยที่เสด็จประธานให้และถึงแม้ช้อยจะไม่ได้ห่วงห้ามแต่พลอยก็อยากจะมีรถเป็นของตัวเองนะคะแน่นอนคะ่ะถึงแม้ว่าเราจะยืมรถคนอื่นได้แต่ถึงอย่างไรเราก็คงอยากจะมีรถเป็นของเราเองนะคะไปไหนมาไหนจะได้สะดวกและก็จะได้ถีบไปด้วยกันได้ ที่วันหนึ่งพลอยพบกับพ่อเพิ่มพี่ชายที่ประตูวังตามที่ได้พบกันเป็นปกติขณะที่พ่อเพิ่มพูดถึงเจ้าคุณพ่อพ่อเพิ่มก็บอกว่าตอนนี้เจ้าคุณพ่อยังบ่นถึงพลอยบ่นคิดถึงพลอยอยู่เสมอนะคะเมื่อวันซืนท่านยังบ่นถึงแม่พลอยกับฉันเลยท่านว่าท่านคิดถึงแม่พลอยอีกแล้วรันจะมารับไปบ้านบ่อย ก, กลัวว่าเสด็จท่านจะกริว้วแต่ท่านสั่งให้ฉันมาบอกแม่พลอยว่าถ้าขาดเหลืออยากได้อะไรให้แม่พลอยสั่งฉันไปถึงท่านท่านจะได้หาส่งเข้ามาให้จริงเหรอพ่อเพิ่มจริงสิน้าฉันจะมาหลอกแม่พลอยทำไมพลอยได้ยินพ่อเพิ่มพูดดังนั้นก็อึกอกักอึกอักนะคะใจนั้นอยากจะบอกพ่อเพิ่มไปใจจะขาดว่าอยากได้จั ก, กรยานแต่คิดวิกทีก็เห็นว่ามันมากไป คงไม่เหมือนสมัยนี้นะคะที่จักรยานคันหนึ่งเนี่ยมันแค่ไม่กี่ตังคือสมัยนั้นคงไม่ใช่ถูกถูกเหมือนสมัยนี้นะคะคงจะราคาหลายตังค์เลยทีเดียวแล้วก็เป็นของใหม่ไม่ใช่ใหม่เฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าเป็นของใหม่ของโลกด้วยนะคะพลอยเองก็เกรงใจเจ้าคุณพ่อเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยขออะไรจากท่านเลย พอจะขอทั้งทีก็รู้สึกว่ามันจะแพงไปมันจะใหญ่โตไปหรือเปล่านะคะก็คิดอยู่นานคิดไม่ตกจนกระทั่งพ่อเพิ่มเนี่ยเดาใจออกก็เลยถามว่าแม่พลอยอยากได้อะไรหรือฉันอยากได้เออฉันอยากได้รถถีบสักคันหนึ่งพอให้มีหน้ามีตากับเขาบ้าง ที่ในนี้ใครๆเขาก็สั่งมาจากบ้านกันทั้งนั้นแต่พ่อเพิ่มไม่ต้องบอกท่านก็ได้ฉ น, นึกขึ้นมาแล้วก็ไม่กล้ากลัวท่านจะว่าเอาฮึแม่พลอยรอดูไปก่อนก็แล้วกันและพ่อเพิ่มก็หัวเราะหึ่งเมื่อได้เจอกับพ่อเพิ่มและได้รับคําสั่งว่าให้รอดูไปก่อนพลอยก็กลับเข้าหวังยังมีความหวังนะคะใจเต้นคอยฟังผลอยู่อีกหลายวัน จริงๆพลอยก็รู้ตัวว่าการขอไปแบบนั้นนี่เป็นการขอของที่ดูมากเกินเกินความจําเป็นนะคะไม่รู้ว่าเจ้าคุณพ่อเนี่ยจะว่ายังไงบ้างหรือว่าบางทีพ่อเพิ่มอาจจะพูดไปเฉยๆโดยไม่มีความหมายก็ได้เพราะว่าเอ่อพ่อเพิ่มก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะพูดจากับเจ้าคุณพ่อได้อย่างใกล้ชิด น, นะคะแต่ถึงยังไงก็ตามพลอยก็ยังมีความหวังละค่ะยังมีความหวังว่า อาจจะได้จักรยานกับเขาจริงๆด้วยเหตุดังกล่าวพรอยจึงไม่แปลกใจเมื่อนังพิษกลับมาจากซื้อของที่หน้าประตูวังวันหนึ่งก็รีบกระหืดกระหอบมาบอกกับพรอยว่าพ่อเพิ่มสั่งเข้ามาว่าให้พรอยออกไปพบให้ได้ในขณะที่พรอยกําลังจะออกเดินจากตําหนักก็พบชอยเข้าพอดี ก็ชวนช้อยไปเป็นเพื่อนช้อยก็ตลกลงอย่างดีใจพอทั้งสองคนก้าวพ้นธรณีประตูวังออกไปข้างนอกพลอยก็ใจเต้นแรงความดีใจพรุ่งขึ้นมาวูบใหญ่แพทย์จะตกมือเต้นแรงเต้นกาอย่างเหมือนเมื่อครั้งที่เป็นเด็กๆ เ, เพราะภาพเบื้องหน้าคือภาพของพ่อเพิ่มที่ยืนยิ้มคอยอยู่ข้างๆประตูและข้างๆตัวมีรถทีบใหม่เอี่ยมคันหนึ่ง พลอยทำตาโตรีบเดินเข้าไปหาพ่อเพิ่มตรงเข้าไปลูบคลำรถถีบคันนั้นทันทีรถคันนั้นเป็นรถอย่างดีเป็นรถมีราคาแพงขนาดเจ้านายทรงเลยทีเดียวตรงกับที่พลอยอยากได้แล้วก็ใฝ่ฝันอยู่ทุกคืนวันพลอยดีใจจนพูดไม่ออกเจ้าคุณพ่อช่างใจดีกระไรเช่นนี้ พลอยนึกอยู่ในใจจะสั่งพ่อเพิ่มให้ไปกราบเท้าท่านสักเท่าไหร่ก็คงจะไม่สาสมกับที่พลอยรู้สึกดีใจขอบใจและก็รักท่านครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่พลอยอยากได้อะไรแล้วก็ได้เต็มตามความปรารถนาทุกอย่างโดยไม่ต้องเสียเวลาคอยกี่วันและที่สําคัญรถคันนี้เป็นรถชั้นดีไม่มีที่ติเลยแม้ รถไทยนี่ดีจริงพอเพิ่มไปได้จากไหนมาแล้วก็จะเอาไปไหนรถของแม่พลอยเขาฉันเอามาส่งให้เขาอีกทีหนึ่งวันแล้วพอเพิ่มก็มองหน้าน้องสาวด้วยรอยยิ้มละใหม่เหมือนกับว่าได้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งสําเร็จไปแล้วอย่างน่าชมเชยโอ๊ยดีจริงไหนขอฉันดูทีรึพลอย แล้วชอยก็กระโดดเข้าลูกคลำรถอย่างดีใจอีกคนปากก็สรรเสริญความดีของรถไม่หยุดปากดีกว่าคันที่เสด็จประธานฉันเป็นกองนี่แหละที่เขาเรียกกันว่ารถเยอรมันดีนะักทีเดียวไม่มีใครมีกี่คันหลอกพลอยถ้าเราได้ขี่แล้วก็เป็นถึงลือทีเดียวนะคราวนี้เออพลอยให้ฉันขี่บ้างนะอย่าลืมนะ ได้ซีช้อยเมื่อไรก็ได้ของฉันก็เหมือนของชอยเหมือนกันตายจริงฉันอยากร้องเต็มทีแล้วละ่ะพร้อยจะลองตรงนี้แม่มันก็คนมากนะักใครเห็นเข้าเขาจะว่าได้รีบกลับเข้าข้างในกันเถิดเดี๋ยวฉันจะถี่เพ่เต็มรักทีเดียวชอยพูดตัดบทเหมือนอย่างกับว่าจะไล่พ่อเพิ่มให้รีบกลับไปเสียเร็วๆพ่อเพิ่ม พอเพิ่มช่วยกราบเจ้าคุณพ่อให้ฉันด้วยนะกราบที่ฝ่าเท้าท่านให้เต็มรักแล้วเรียนท่านด้วยว่าฉันดีใจเหลือเกินตั้งแต่เกิดมาฉันยังไม่เคยมีอะไรดีใจเท่านี้เลยพอเพิ่มมองหน้าพรอยแล้วก็หัวเราะหึ่หึแม่พรอยเจ้าคุณพ่อท่านไม่รู้เรื่องหรอกฉันไม่ได้บอกท่านเลย แต่แม่พลอยเอารถคันนี้ไปไว้ขี่เล่นกันละกันตายจริงพ่อเพิ่มแล้วรถคันนี้พ่อเพิ่มไปเอามาจากไหนล่ะพอแม่พลอยถามพ่อเพิ่มก็บ่ายเบี่ยงเป็นทำนองว่าก็ น, นึกเสียว่าฉันให้ก่อแล้วกันแม่พลอยพอเพิ่มพูดแล้วก็หลบตาโอ้โหพ่อเพิ่มดีเศรษฐีจริงแฮะซื้อรถแจกน้องสาวคันขนาดนี้เทียรุนี่ ทำไมไม่เอามาเผื่อฉันอีกสักคันหนึ่งล่ะเอาฉันไม่รู้นี่ว่าแม่ช้อยอยากได้ถ้ารู้ก็จะได้เอาติดมือมาด้วยพอเพิ่มหาทางออกโดยการพูดเล่นกับช้อยเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากับพลอยนะคะเดี๋ยวก่อนพ่อเพิ่มรถขนาดนี้ไม่ใช่ถูกๆพ่อเพิ่มจะไปเอาที่ไหนมาให้ฉันได้พอเพิ่มอย่าพูดเป็นเล่นไปบอกฉันเสียตรงๆดีกว่าพอเพิ่มก็อึอกอัดอยู่ครู่หนึ่ง เออผู้หญิงนี่ช่างยุ่งเสียจริงๆเรื่องเล็กนิดเดียวก็เห็นเป็นเรื่องใหญ่ไปได้อ่ะอยากรู้ฉันก็จะบอกให้วันที่แม่พลอยบอกฉันว่าอยากได้รถถีบนั่นแหละบังเอิญฉันไปพบเพื่อนชั้นคนหนึ่งทางบ้านเขาสั่งรถถีบมาขายฉันก็คุยกับเขาว่าน้องสาวฉันอยากจะได้เขาก็เลยบอกให้ฉันมาคันหนึ่งก็รถคันนี้แหละเอาไปเถิดแม่พลอย ฉันให้เองไม่ใช่คนอื่นแล้วเพื่อนคนนั้นชื่อพ่อเปรมใช่ไหมล่ะพ่อเพิ่มชอยถามขึ้นมาทันควันปรากฏว่าพ่อเพิ่มมมอนหน้าไปทางอื่นแล้วก็ถอนใจใหญ่ไม่ยอมตอบพลอยสะดุ้งขึ้นมาทันทีใช่ไหมพ่อเพิ่มจะรู้ไปทำไมเฮ้อออยากรู้ก็จะบอกให้ก็พ่อเปรมนั่นแหละที่เขาสั่งให้ฉันเอารถมาให้แม่พลอย แต่เขาบอกว่าถ้าไม่พลอยถามก็อย่าบอกว่าใครให้แล้วก็มารุมกันซักจนฉันต้องบอกออกมาจนได้สินะ่าความแตกนะคะพ่อเพิ่มก็เป็นคนที่คงจะโกหกไม่เก่งโกหกไม่เนียนพอรู้ความจริงพลอยก็คว้าข้อมือช้อยแล้วก็หันหลังเดินกลับเข้าวังทันทีนะคะทิ้งให้พ่อเพิ่มยืนถือจักรยานอยู่ที่หน้าประตูแต่คนเดียวพลอยโกรธมาก แทบจะตัดพี่ตัดน้องคือโกรธในแง่ที่ว่าพ่อเพิ่มเนี่ยอาศัยพลอยเป็นสะพานในการที่จะผูกมิตรกับคุณเปรมและคุณเปรมก็อาศัยพ่อเพิ่มเป็นเครื่องมือในการที่จะเข้าถึงตัวพลอยพลอยไม่เคยรับของจากคนที่ไม่รู้จักยิ่งเป็นของที่มีราคาก็ยิ่งไม่ยอมรับแม้แต่จากคนที่รู้จักคุ้นเคย นอกจากคนคนนั้นจะเป็นเจ้าคุณพ่อผู้เป็นบิดาบังเกิดเกล้าหรือเป็นเสด็จผู้มีพระคุณยิ่งกว่าบิดามารดาบังเกิดเกล้าความตื่นเต้นดีใจกลายเป็นความโมโหโมโหที่พี่ชายเป็นคนมักง่ายความอยากได้รถที่มีมานานเผือดหายไปทันทีช้อยวิ่งบ้างเดินบ้างเพื่อให้ทันพรอยซึ่งสาวเท้าเดินอย่างเร็วไม่มองอะไรทั้งสิ้น โกรธมากเหรอพลอยโกรธสิใครบ้างจะไม่โกรธช้อยฉันก็เห็นใจหรอกแต่อย่าไปถือสาพ่อเพิ่มกันเลยแกเจตนาดีแกก็ทำไปอย่างนั้นเองไม่ถือสาไม่ได้หรอกชอยพ่อเพิ่มทำอะไรไปถ้าเป็นเรื่องตัวของพ่อเพิ่มเองฉันก็ไม่ว่าแต่อย่ามาเอาฉันเข้าไปเกี่ยวข้องมีอย่างหรือไปเอารถถีบของใครเข้ามาให้ฉันทั้งคันฉันรับไว เขาคงดูถูกฉันว่า่ัชนะมักได้ก็พอเพิ่มแกว่าเขาให้แกแล้วตังหากแล้วแกก็เอามาให้แม่พลอยอีกทีหนึ่งฉันก็ไม่เห็นแปลกอะไรถ้าเป็นฉันฉันเอาไว้เสียเลยแล้วก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ใครอยากทำเป็นเศรษฐีแ จ, จกัวถีเปล่าๆก็ช่างใครเป็นไรช้อยแล้วก็ดีแต่พูดถ้าเป็นตัวโดวนเขาอย่างนี้ก็จะโมโหโทโซเ อ, อ, อะอยิ่งกว่าฉันเสอีก ก็เห็นแต่จริงใครมาอวดดีกับฉันอย่างนั้นฉันด่าตายไปเลยทีเดียวแต่อย่าไปคิดมากเลยพลอยไปเก็บเอามาโกรธก็ไม่สบายใจไปเปล่าๆพลอยโกรธฉันก็เลยไม่สบายใจไปด้วยพลอยนิ่งไม่ตอบเดินเฉยกลับมาจนถึงตำหนักและตั้งแต่นั้นมาก็หายเห่อจักรยานถึงช้อยจะชวนให้ใช้รถของช้ อ, อยอยู่บ่อยๆพลอยก็ทำเฉยๆเยนื่อยๆ และจะเป็นเพราะช้อยรำคาญหรืออยากให้พลอยได้รถถีบตามความปรารถนาะหรืออะไรก็ตามวันหนึ่งขณะที่พลอยและช้อยเฝ้าเสด็จอยู่บนตําหนักช้อยก็ถือโอกาสทูลเอาตรงๆว่าสเสด็จมังคะหมู่นี้แม่พลอยเขาไม่ค่อยสบายมังคะกินไม่ได้นอนไม่หลับฮะใครไม่สบายนางพลอยหรือเป็นอะไรไป เสด็จเหลียวพระพักมาทางพลอยพลอยตกใจนะคะเปล่ามังคะจริงๆนะมังคะถ้าเสด็จไม่โปรดก็เห็นจะแย่สิคราวนี้เองแล้วจะให้ข้าโปรดยังไงเสด็จถามพรางทรงพระสวนเดี๋ยวนี้เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าช้อยนั้นอยู่ในฐานะที่จะทูนอะไรก็ทูนได้ไม่สงถืออะไรอีกต่อไป เพราะความกล้าของช้อยที่ไม่มีใครข่มลงนั่นเองคือถ้าจะโปรดก็ต้องประทานรถถีบให้สักคันสิมังคะช้อยทูลหน้าตาเฉยในขณะที่พรอยเนี่ยแทบจะแทรกพื้นดินหนีอยากได้รถหรือพรอยเสด็จรับสั่งถามในขณะที่พรอยหมดปัญญาที่จะทูลว่าอย่างไรได้แต่ก้มลงกราบอา้าวดูสิ ยังไม่ทันจะบอกให้เลยลงกราบรับเอาไปเสียแล้วนางพวกเหล่านี้มันจะปอกลอกข้าให้หมดตัวให้ได้กันสินะนางพลอยก็อวดดีเสียเหลือเกินอยากจะได้อะไรจะออกปากเองก็ไม่มีต้องมีนางช้อยเป็น น, นายนานางช้อยก็กําเริบพอข้าให้รถเข้าคันหนึ่งก็จะเอาให้นางพลอยอีกคันอีกหน่อย ข่ามีต้องซื้อแจกทุกคนหรือนี่ดูเหมือนว่าสเสด็จนั้นก็บ่นๆไปอย่างนั้นเองแต่บ่นด้วยน้ำเสียงที่ไม่ได้กริว้วไม่ได้โกรธนะค ะ, สะเสด็จทอดพระเนตรมายังพลอยอย่างทรงพระเมตตาอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะรับสั่งว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนางพลอยเอารถของข้าไปถีบได้ข้าเองถีบไปถีบมา เหอตามเข้าไปหน่อยนึงเดี๋ยวนี้ชักจะเบื่อแล้วพลอยรับช่วงเอาไปก็แล้วกันข่ายกให้พลอยนั้นโอ้โหใจเต้นแทบจะกระโดดออกมาข้างนอกเลยทีเดียวกลมลงกราบเสด็จอีกทีนึงด้วยความดีใจสุดชีวิตนะคะเพราะว่าเสด็จทรงพระเมตตาอย่างที่พลอยไม่ได้นึกฝันมาก่อนอีกใจนึงก็ขอบใจช้อยสุดที่จะประมาณได้ เมื่อลงมาจากชั้นบนของตําหนักตอนกลางวันช้อยก็เลยคุยโตว่าฉันว่าแล้วไม่ล่าเรื่องอย่างนี้มันต้องถึงนางช้อยทีนี้เราก็จะได้ถีบรถกันสองคนให้เปรมปรีไปเลยทีเดียวฉันไม่รู้จะขอบใจชอยอย่างไรถูกทีแรกฉันตกใจไม่รู้ว่าช้อยเอาอะไรมาพูดฉันกลัวท่านจะกริ้วตายซะแล้วนั่นนะสี่ ฉันเองก็ใจคอไม่ดีเหมือนกันนะพลอยจูจ่ๆก็ไปขอประธานรถให้แม่พลอยขึ้นเฉยๆฉันนึกว่าท่านจะถีบฉันตกตำหนักตายเสียแล้วอ๋อแล้วเรื่องนี้อย่าไปบอกคุณอานะถ้ารู้เรื่องเป็นดุฉันตายทีเดียวต่อจากเวลาที่เกิดเรื่องกับพ่อเพิ่มเรื่องรถถีบพลอยก็ไม่สนใจที่จะออกไปพบกับพ่อเพิ่มอีกต่อไปนะคะบางครั้ง พ่อเพิ่มมาคอยพบนางพิทที่หน้าประตูวังและสั่งเข้ามาบอกให้พลอยออกไปพบพลอยก็ทําเป็นเฉยไม่ออกไปพบตามที่พ่อเพิ่มสั่งตั้งใจว่าคราวนี้จะต้องโกรธกับพ่อเพิ่มให้นานจนกว่าพ่อเพิ่มจะเข็ดขณะเดียวกันคุณเปรมก็เริ่มจะเข้ามาเกี่ยวข้องใกล้ๆ ก, กับชีวิตความเป็นอยู่ของพลอยยิ่งขึ้นโดยผ่านเข้ามาทางคุณสาย ซึ่งคุณเปรมถือโอกาสที่ได้พบปะที่บางปะอินติดต่อเรื่อยมาและเมื่อกลับมาถึงกรุงเทพแล้วคุณเปรมก็หาโอกาสส่งข้าวของเข้ามาเป็นของกำนันอยู่บ่อยๆโดยมากมักจะเป็นของจากนอกหรือว่าจากเมืองจีนของที่คุณเปรมส่งมากำนันคุณสายตามปกติก็ไม่ใช่ของมีราคาข้างวดอะไรมากนะัก บางทีก็เป็นผ้าหมสก็อตจากยุโรปบางทีก็เป็นผ ล, ลไม้หรือของแปลกๆจากเมืองจีนเช่นส้มจีนลูกพรับลิ้นจี่ดองและหัวดอกไม้ที่เรียกว่าจุ้ยเซียนซึ่งขุณสายจะต้องเอิกรกะเริกเมื่อได้รับเอามีดทองกรีดตามหัวดอกไม้สองสามแห่งแล้วก็เอาลงปลูกในอ่างเล็กๆมีกรวดวางไว้และใส่น้า ต่อจากนั้นก็จะนั่งสันเสริญคุณเปรมไปจนกว่าต้นไม้นั้นจะออกดอกคุณสายได้รับของทีไรก็จะต้องพูดถึงคุณเปรมอย่างเอ็นดูและสันเสริญความสนิทสนมที่เคยมีต่อมานดาและอาของคุณเปรมทุกครั้งไปฉันขวางคุณอาจะตายอยู่แล้วพลอยตื่นของกำนันจนลุ่มหลงไปเลยทีเดียวแต่ก่อนก็ไม่เคยเห็นเขาเอาใจใส่เพิ่งจะมาเอาใจใส่เดี๋ยวนี้ก็ยังตื่นเขาอยู่ได้ พลอยได้ยินแล้วก็ได้แต่ทำนิ่งเสียไม่ต่อความยาวสาวความยืดเพราะในใจจริงนั้นคุณเปรมดูจะเพิ่มความสำคัญสำหรับตนขึ้นมาทุกวันถึงแม้ว่าจะไม่เคยรู้จักพูดจากันเลยพลอยก็มีความรู้สึกด้วยสัญชตาตญาณของผู้หญิงว่าคุณเปรมนั้นมาอยู่ใกล้ตนจนน่ากลัวอันตรายคือเข้ามาใกล้มากขึ้นมากขึ้นทุกทีและด้วยสัญชตาตญาณอันเดียวกัน พลอยก็พยายามที่จะผลักคุณเปรมออกไปให้ห่างไม่ยอมให้เข้ามาใกล้ตัวแต่ยิ่งนานวันออกไปสัญญาณอันตรายเกี่ยวกับคุณเปรมซึ่งพลอยพยายามผลักให้พ้นตัวอยู่เป็นนักเป็นหนานั้นเองก็ยิ่งมีมากขึ้นและเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นและวันหนึง่งพลอยก็เห็นคุณสายนั่งคุยกับผู้หญิงวัยกลางคนผู้หนึ่งซึ่งพลอยไม่รู้จัก ผู้หญิงคนนี้รูปร่างเล็กตาคมกิริยาว่องไวเหมือนกับนกตัวเล็กๆและมีวิธีพูดที่แปลกคือพูดสั้นๆขาดเป็นห้วงๆและทุกประโยคที่พูดออกมานั้นตั้งเป็นรูปคำถามเกือบทั้งสิน้นเมื่อพลอยเห็นคุณสายมีแขกก็ทำท่าจออกจากห้องแต่คุณสายก็กวักมือเรียกให้พลอยเข้าไปนั่งใกล้ๆพลอย ไหวคุณนุ้ยเสียสิพลอยยกมือไหวตามที่คุณสายสั่งคุณนุ้ยหันมาเลิกคิ้วมองพลอยอย่างสนใจยกกรองยานัดขึ้นเป่าอย่างแรงเข้าจมูกทั้งสองข้างแต่สายตามิไดแสดงเลยว่าแปลกใจที่พบพลอยคล้ายๆกับว่ากะแล้วว่าจะต้องพบหรือว่าอาจจะกะมาพบก็ไม่รู้นะคะนี่ไงแม่นุย้ย พลอยที่ฉันพูดถึงอยู่เมื่อกี้สวยนะแม่สายสวยไหมเขาสวยเหมือนแม่เขานั่นแหละฉันว่าสวยกว่าเสียด้วยนะจริงไหมแม่สายฉันก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแต่แม่แช่มเขาเป็นคนสนุกพูดจากเก่งส่วนพลอยเขาเป็นคนนิ่งนิ่งผิดกันไปคนละแบบนิ่งหรือไม่พูดหรือดีกว่าคนพูดมากนะแม่สายก็จริง คนพูดน้อยก็มีเรื่องน้อยแม่หนุยหันขวับมาทางพลอยนะคะแล้วก็ถามอย่างเร็วว่าแม่พลอยเกิดปีอะไรพอพลอยบอกแม่หนุยก็บอกว่าอ่อนกว่าพ่อเพรมห้าปีมากไปไหมฉันว่าไม่มากถูกไหมแม่หนุยถามขึ้นเลยอยแต่นิ่งเงียบไม่มีใครตอบพลอยก็นั่งก้มหน้าดูกระดานเฉยอยู่คุณสายมองมาทางพลอยแวบหนึ่งแล้วก็เมินไปทางอื่น พลอยเองก็เลยได้รู้นะคะว่าคนนี้แหละที่เป็นอาของคุณเปรมที่คุณสายเคยคุยไว้ว่าชอบพอกันเป็นนักเป็นหนาพลอยนึกอยู่แต่ในใจว่าดูกริยาท่าทางก็เห็นจะเป็นเศรษฐีจริงอย่างที่คนเขาลือเพราะว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มดูแล้วก็เป็นของมีราคาหีบหมากที่กินก็สมกับฐานะแม้แต่กล้องยานัท ทำด้วยเขี้ยวเสือเลี่ยมหน้าก็ดูเหมือนจะบอกให้รู้ว่าคุณนุ้ยนี้ไม่ใช่คนธรรมดาสามัญเศรษฐีนั่นเองนะคะเขาว่าเสด็จโปรดนักไม่ใช่หรือก็โปรดพอดูอยู่แม่นุ้ยท่านทรงชุบเลี้ยงมาแต่เล็กก็ต้องโปรดเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นลูกแม่แช่มที่ท่านทรงโปรดมากพลอยเขาก็ดีเสียด้วยก็น่าโปรดอยู่หรอกดียังไงทําอะไรเก่งหรือ หรือว่าช่างประจบเฉยๆจะว่าเขาช่างประจบก็ไม่ถูกหรอกแม่นุย้ยแต่แม่พลอยเขาเป็นคนมีสัมมาคาระวะแล้วก็เป็นคนมีน้ำใจมีกะตันยูท่านจึงโปรดมีกะตัญยูมากหรือดีนะแม่สายคนเดี๋ยวนี้หาคนกตันยูยากจริงไหมคือคุณนุ้ยนี่ก็จะเป็นคนที่พูด แ, แปลกๆนะคะ คุณสายก็เห็นด้วยจริงทีเดียวฉันแล้วก็เบื่อเบื่อจนขี้เกียจจะเลี้ยงคนซะแล้วเพราะคนเดี๋ยวนี้เขาลืมง่ายเราเลี้ยงเกือบตายพอโตขึ้นปีกล้าขาแข็งก็ไปตามใจตัวของเขาเราเป็นผู้ใหญ่ก็กลายเป็นหัวหลักหัวตอจะว่ากล่าวใครเขาก็ไม่ฟังกลับเห็นเราเป็นคนโบราณคล้ำครึแต่พลอยเขาดีหลอกเรื่องนี้ ถึงจะเติบโตขึ้นมาอย่างไรก็เชื่อฟังผู้ใหญ่ไม่ออกนอกลู่นอกทางอย่างนั้นหรือเชื่อฟังผู้ใหญ่อยู่ในโอวาทผู้ใหญ่หรือแม่สายกับฉันรู้ใจกันมานานเด็กไม่อยู่ในโอวาทผู้ใหญ่ฉันเกลียดนักเชียวจริงไหมจริงไหมโอ้ยผู้ใหญ่ที่ไหนก็คงไม่ชอบทุกคนนั่นแหละแม่นุย้ยแต่คนสาวๆเขาก็ต้องหาว่าเรากดขี่บังคับ เขาไม่มึกบ้างว่าเราทำอะไรไปเพราะอยากจะให้เขาดีช่างไม่คิดกันเลยว่าไอเรามันอาบน้ําร้อนมาก่อนชั่วดีอะไรก็เคยเห็นมาก่อนทั้งนั้นชอยโผล่หน้าเข้ามาในห้องแต่พอทำท่าจะหลบกลับคุณสายก็ร้องเรียกชอยมานี่ก่อนจำอนุ้ยได้ไหมชอยก็คลานเข้ามานั่งใกล้ๆ แล้วก็ยกมือไหว้แม่หนุยช้อยหรือช้อยหรือนี่นี่แหละช้อยละแม่หนุยจำได้ไหมที่ฉันเอาเข้ามาเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็กๆนันปารายคราวนี้แม่หนุยก็มองดูช้อยอย่างพินิษพิจารณานะคะเบายานัทเสียหลายครั้งจนละอองยานัสปลิวมาเข้าจมูกพลอยไม่สวย ไม่สวยเลยสู้แม่พลอยไม่ได้จริงไหมโอาโหพูดตรงเกินไปหรือเปล่าถ้าเป็นคนทั่วไปโกรธกันตายแต่ช้อยหัวเราะจริงสิคะใครจะไปสวยสู้แม่พลอยเขาได้ไม่ถือหรือนี่ฉันว่าไม่สวยไม่ถือหรืออุย้ยฉันไม่ถือหรอกคะ่ะก็มันไม่สวยจริงๆนี่ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายจริงไม่คะอนุยช้อยชักสนุก และก็เริ่มจะคุยกับแม่นุ้ยด้วยวิธีตั้งปัญหาถามอย่างเดียวกันจริงสิถูกแล้วเรากันเองพูดอะไรกันก็ได้ได้ไหมหรือว่าไม่ได้ช้อยนั้นออกจะชอบในวิธีการพูดการจาของคุณนุ้ยอยู่ไม่น้อยนะคะแล้วก็สนุกไปด้วย กับการที่ได้ตอบปากตอบคำกับคุณนุย้ยได้สิคะคุณอาจะเป็นอะไรไปพูดอะไรก็พูดได้ฉันพูดอะไรบ้างคุณอาจะถือไหมคะได้ถามมาต่อไปคุยกันรู้เรื่องไม่ถามก็ไม่รู้จริงไหมจริงจริงทีเดียวคะ่ะคุณอาเอฉันไม่รู้จะถามอะไรดีอะเอางี่ดีกว่าอะไรเอออแฮม คุณสายก็แกแอมขึ้นดั ง, ดงๆแบบเริ่มเละเอะเทอะใหญ่ละใหญ่ช้อยจริงๆคุณสายก็คงจะไม่ได้แกแอมอาแฮมอย่างที่ดิฉันทำหรอกนะคะคงจะเป็นอาแฮมด้วยความโกรธละไม่ค่อยพอใจแ ล, ะละ้วล่ะรู้สึกว่าชทกจะเลยเถิดเอา้าก็ฉันนึกว่าคุณอานุ้ยชอบเล่นไายปริศนานี่พอฉันจะขึ้นอะไรเอ่ยคุณอาก็มาขัดจังหวะเสียพอดีเลยนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวเถอะใหญ่ช้อย พูดอะไรแล้วก็เป็นเล่นไปหมดทีเดียวช่างไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่กันเสียบ้างเลยแม่สายยาปล่อยก็เถิดสนุกดีรักกันก็เล่นหัวกันได้จริงไหมช้อยฉันชอบเล่นกับเด็กเล่นมานานแล้วที่บ้านมีเด็กแยะไม่ถือปล่อยให้เล่นเล่นกับเด็กทุกวันสนุกอายุยืนตายช้าจริงไหมแม่สายแม่พูดแบบนี้ เข้าทางช้อยเลยทีเดียวนะคะจริงสิคะคุณอานุยพูดถูกทีเดียวคนเราถ้าเล่นหัวซะบ้างใจคอก็เบิกบานเมื่อใจคอเบิกบานแล้วก็ไม่ค่อยแก่ถึงจะแก่แต่ก็แก่ช้าช้าแต่ผู้ใหญ่บางคนไม่ทําอย่างนั้นได้แต่หมกบุนวันหนึ่งหนึ่งก็ไม่มีจะเล่นหัวกับใครเด็กจะเล่นก็ไม่ได้คอยแต่ห้ามปราล์มผู้ใหญ่อย่างนี้เผลอประเดี๋ยวเดียวแก่ไปตั้งเป็นกองพอตายลงจริงๆก็จะมาซัดว่เด็กแช่ง สายก็หันมาตาเขียวใส่ชอยนะคะชอยเมื่อกี้กำลังจะไปไหนอยู่หรือเปล่าฉันนัดกับเขาว่าจะไปดูพานุ่งที่แถวเตงเขาเอามาให้ดูหลายกุลีว่าจะไปซื้อมาไว้นุ่งเกิดมากับเขาชาตินึงหน้าตามันปู่ปะก็เลยต้องแต่งตัวให้สวยๆไว้หน่อยถ้าอย่างนั้นก็เชิญแม่รีบไปได้เลยจ้ะอย่ามามัวเล่นลิ้นอยู่เลยฉันว่า จะมาชวนแม่พลอยเขาไปด้วยเพราะเขานัดเอาไว้เหมือนกันไปเถิดอย่ามานั่งอุดอู้อยู่เลยไปด้วยกันสองคนช่วยกันเลือกดูยังเป็นสาวอยู่แก่แล้วอย่างฉันอย่างแม่สายไม่เป็นไรแต่งไปก็ไม่มีใครมองอ้าแม่หนุยพูดพรางก็หยิบกระเป๋าหมากแล้วก็อามาเปิดอย่างรวดเร็วนะคะหยิบเงินในกระเป๋าออกมานับค่ะอา้าวฉันให้คนละห้าตำลึงซื้อผ้านุ่งเลือกให้สวยๆผ้าปลึกกระเทียมดอกให้เด่นๆพอไหมพอไหม พลอยเหลือบดูตาคุณสายเหมือนกับว่าเอจะรับดีหรือไม่รับดีนะคะเห็นคุณสายยิ้มพยักหน้าพลอยก็เลยยกมือไหว้คุณนุย้ยแล้วก็รับเงินเอาไว้โอ้โหอย่างนี้ก็ซื้อได้หมดทีเดียวไม่ต้องเลือกกันละห้าตำลึงแต่ก่อนนี้ดิฉันเองก็ตีไม่ถูกเหมือนกันนะเมื่อที่แบบค่าครองค่าครองชีพในยุคนั้นแต่คิดว่าเศรษฐีอย่างคุณนุ้ยให้ก็คงจะเยอะละค่ะแม้ถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้น่าจะประมาณสักเท่าไหร่ ให้ไปซื้อเสื้อซื้อผ้าน่าจะสัก5นะ้าพันเนาะอ่ า, น, าน่าจะประมาณนั้นละคะ่ะห้าตำลึงนี้มันคงเยอะละ่ะคือคงซื้อเสื้อซื้อผ้าได้แบบสบายบายเลยทีนี้พอออกมาพ้นตำหนักพรอยก็ถามชอยว่าเอ๊ะใครไปนัดดูผ้าผ่อนแถวเต้งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่พรอยไม่เห็นรู้เรื่องเลยชอยก็เลยตอบหน้าตาเฉยอบอกว่าเพิ่งจะนัดเดี๋ยวนี้เองถ้าไม่มีนัดก็ไม่มีวันได้ออกมา ช้อยบอกว่านั่งคุยกับคนแก่เนี่ยไม่สนุกออกมาเที่ยวดีกว่าแถมยังได้อัดอีกคนละห้าตำลึงซื้อของได้เยอะแยะแล้วนี่เราไม่ต้องไปซื้อพะนุ่งกันจริงๆเหรอช้อยก็อย่างนั้นสิพลซื้อเท่าไหร่ก็ได้จะเป็นไรไปอัดเราก็มีแล้วฉันนี่ก็เป็นคนแปลก ทำอะไรแล้วเบื่อง่ายมีอยู่อย่างเดียวที่ทําได้ทุกวันไม่มีเบื่อเลยคือซื้อพ้านุ่งผ้าตัดเสื้อแปลกแ ท, แ ท, ท้ๆทีเดียวแล้วชอยก็เดินร้องเพลงเบาๆต่อไปอย่างสบายอารมณ์พลอยก็เดินตามไปอีกครู่หนึ่งแล้วชอยก็ถามว่าแม่นุ่ยนี่แกเป็นใครพลอยรู้จักแล้วไม่ใช่หรอฉันก็พอจะเดาออกคุณอาของคุณเปรมที่คุณอาพูดถึงอยู่บ่อยๆใช่ไหมล่ะถูกละ แต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเข้ามาในวังทำไมถ้าจะเข้ามาเยี่ยมคุณอากรมังช้อยพลอยก็พูดขึ้นอย่างนั้นเองนะคะแต่น้ำเสียงเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยแน่ใจในคำตอบของตัวเองสักเท่าไหร่หรอกอืมก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ฉันก็ยังสงสัยฉันสงสัยว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นนาะฉันสังเกตดู เหมือนอันนุวยจะเข้ามาดูอะไรสักอย่างดูอะไรเหรอชอยพรอยถามอย่างระแวงทงั้งๆที่ก็รู้ตัวอยู่นะคะว่าแม่หนุวยเนี่ยเพ่งเล็งตนเป็นพิเศษเห็นจะไม่ใช่เข้ามาดูฉันแน่ๆถ้าอันนุวยจะเข้ามาดูใครหรือดูอะไรก็ต้องเป็นคนอื่นหรือของอื่นฉันเองก็ไม่มีใครมองอยู่นั่นเอง ชอยพูดเป็นเชิงน้อยใจแต่น้ำเสียงสแสดงว่าโล่งใจมากกว่าทั้งสองก็เดินต่อไปอีกครู่หนึ่งนะคะแล้วชอยก็ถามขึ้นมาลอยๆว่าพรอยหมูนี้ฝันอะไรบ้างหรือเปล่าเปล่าไม่เห็นฝันอะไรนี่ทำไ ม, มฝันว่า ง, งูกัดบ้างหรือเปล่าตายถ้าฉันฝันแบบนั้นก็คงได้รองบ้านแตกไปอะไรฉันไม่เคยฝันสักที ถ้าอย่างนั้นเอขนาดงูรัดล่ะเคยฝันบ้างไหมไม่เคยละงูกัดก็ไม่เคยฝันงูรัดก็ไม่เคยเหมือนกันช้อยเอาอะไรมาถามก็ไม่รู้ฉันก็ถามไปอย่างนั้นแหละหน้าดัจดจริตไปได้วันนี้ฉันจะต้องขอเป็นหมอดูสักหน่อยถ้าไม่พรอ ย, ยังไม่เคยฝันว่าถูกงูกัดหรือว่าถูกงูรัดก็เห็นทีจะต้องฝันเร็วๆนี้เป็นแน่ ฉันดูดูแล้วเห็นมันใกล้ก็มาเต็มทีแล้วล่ะชอยนี่พูดประบายเสียจริงทีเดียวแล้วตัวเคยฝันบ้างไหมล่ะโว้ยคนอย่างฉันไม่มีได้ฝันกับใครเขาหรอกพอหัวถึงหมอนแล้วก็หลับเป็นตายไม่เคยฝันเลยสักทีเหมือนกับว่าชอยก็คงมองออกกันนะคะว่าคุณอนุวยเนี่ย คงจะเข้ามาธุระเกี่ยวกับเรื่องพลอยนี่แหละพลอยเองก็น่าจะสังหรณ์ใจอยู่เหมือนกันแล้วก็ตั้งแต่อาของคุณเปรมเข้ามาในวังวันนั้นแล้วเนี่ยเรื่องราวทางคุณเปรมก็ดูจะซาไปพักหนึ่งถึงจะมีการติดต่อระหว่างคุณเปรมและคุณสายแต่พลอยก็ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะว่าชีวิตและหน้าที่ในวังก็จะมีเรื่องต่างๆที่เรียกร้องความสนใจสับเปลี่ยนเวียนกันมาอยู่เรื่อยๆนะคะคือมีอะไรทาเยอะ หลังจากความตื่นเต้นเรื่องอรถจักรยานได้เบาบางลงไปแล้วก็มีความตื่นเต้นความนิยมในเรื่องของของอื่นเข้ามาแทนที่ของที่ทำให้คลั่งกันไปอีกพักใหญ่ก็คือตลับงาค่ะฟังแล้วงงไหมคะตลับงาสำหรับใส่ที่พึ่งสีปากคนยุคนี้ฟังแล้วก็อาจจะยิ่งงงว่าเอ๊ะทำไมเหรอคือคนแต่ก่อนนี่เขากินมา เพราะฉะนั้นก็จะต้องมี ory, มอุปกรณ์หรือว่ามีเครื่องเคียงนะคะในการที่จะใช้ในการกินหมากใช่ไหมคะขี้พึ่งสีปากก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นอุปกรณ์ประกอบการกินหมากอย่างหนึ่งแล้วคะ่ะมีขี้ผึ่งก็ต้องมีตลับใส่ขี้ผึ่งซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยตลับงานใส่ขี้ผึ่งสีปากถือเป็นสิ่งของจำเป็นนะคะ จำเป็นมากสําหรับชาววังทุกคนล่ะค่ะแล้ ว, ค, ลวออคือจริงๆเนี่ยจําเป็นในการในการใช้งานคือเอาไว้เป็นภาชนะสําหรับใส่สีพืใส่ขี้ผึ้งสีปะใช่ไหมคะแต่ว่าจําเป็นในที่นี้นี่เหมือนกับว่าเป็นความจําเป็นในเรื่องของออการการมีเอาไว้ประดับฐานะหรือว่ามีในฐานะเป็นของเล่นเป็นงานอดิเรกเป็นของสะสมด้วยต้นเหตุ ที่ทําให้ชาววางเริ่มเล่นตลับงากันเป็นการใหญ่เกิดจากพระราชนิยมหรือว่าความนิยมของพระราชาเนี่ยนะคะก็เล่ากันว่าวันหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนธเห็นตลับงาใบเล็กของเสด็จอธิบดีที่ทรงใช้งานมานานทีนี้ตลับงาของเสด็จอธิบดีเนี่ยแดงคือแดงเป็นมันแล้วก็ดูสวยจึงมีพระราชดํารัสบอกว่าตลับงานี้ใช้งานไปก็งามเป็นสีแดง พอจะเล่นกันได้อย่างฝรั่งคือฝรั่งเนี่ยมีการเล่นกล้องสูบ เ, เล่นกล้องสูบบุรีนะคะที่ทําได้ยินขาวเรียกกันว่ากล้องเมียชอมตั้งแต่นั้นมาก็มีการเล่นตลับงากันทั่วไปของใครใครก็ขัดอย่างประณีตบรรจงเพื่อให้ขึ้นสีแดงสวยงามตามปกติตะก่อนนะคะตลับงาทั่วไปจะทําเป็นทรงลูกพลับแต่พอเริ่มเล่นตลับงาขึ้นก็มีผู้คิดทรงแปลกๆออกไปอีกมาก ส่งของใครคิดขึ้นผู้นั้นก็จะสงวนเอาไว้ไม่ให้ใครลอกแบบถึงกับต้องมีเจ้าพนักงานนะคะคอยจดทะเบียนตลับทรงต่างๆว่าทรงนั้นทรงนี้เป็นของใครตลับทรงลูกพับแห้งคือแบนกว่าลูกพับธรรมดาหน่อยนึงตลับทรงจรกาคือทรงลูกพับตะกดลงไปจนแบนมากแล้วก็ทรงลูกรอข้างแข็งจดทะเบียนเป็นทรงของหลวงโดยเฉพาะ นอกจากนั้นก็มีทรงส ก, กาทรงรมนาทรงกรองและก็ทรงหมากดิบสดตลอดจนตลับรูปร่างอื่นๆอีกเป็นอันมากค่ะความนิยมเล่นตลับงานเนี่ยก็แพร่หลายออกทั่วไปจนถึงเมื่องานฉลองตั้งกรมสมเด็จกรมพระเจ้าลูกเธอนะคะกรมคุณสุพรรณพาขยะวดีก็มีการประกวดตลับงานชิงรางวัลขึ้น รางวัล น, นั้นเป็นเหรียญพระราชทานมีเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงตามลําดับชั้นตลับงานของเจ้านายและเจ้าจอมที่ขัดดีแล้วมีสีขึ้นงดงามเจ้าของก็จะนําขึ้นถวายตัวเหมือนขับถวายตัวบุตรหลานแล้วก็มีการขอพระราชทานชื่อและชื่อพระราชทานสําหรับตลับงานนั้นนะคะเ อ, อซึ่งก็จะเป็น ชื่อที่ไพเราะแล้วก็ครองจองซึ่งพลอยเนี่ยก็ท่องจำเอาไว้ได้หลายชุด สลับงานทรงลูกพับเตี้ยชุดของหลวงตั้งแต่ใบใหญ่ที่สุดแล้วก็เรียวเล็กลงไปตามลำดับจนถึงปลายเถาใบเล็กเท่าปลายนิ้วก้อยนะคะคือมีลักษณะลดหลัน่นลดหลั่นกันไปคือมีการตั้งชื่อกันชนิดที่ว่า อ, อ, อลังการงานสร้างมากเลยนะคะแล้วก็เป็นชุดเป็นชื่อที่ที่ไพเราะมาก เช่นชดาเดินห น, นกุลทนไพรโรดกัญเจียกโชดฉายฉันสุวรรณมาลายดอกไม้ไหวเรืองรองฉลองสอประดับทับสวงพึงพิษตาบทิศพิสดานสังวานเพลิดพริง้งสอิ่งเพชรจรัดพาหุรัตบวร ต้นพระกรจมรูนแก้วเกยูนสวมหัดรัดพัดบรรจงรัดองค์งามประกอบคันขอบพรายแสงชายแคลงไฉไลชายไหวเถือกทะเกิงกรองเชิงชมพูนุชเรือนครุฑ ธ, ธรรมรงฉลององค์พระกรน้อยกันจุกร้อยเพชรรัต เชิงงอนชัดสนับเพลาพรายเพลาภูษากฤิดชวาสุวรรณสุพรร์ปาธุกาพระร่วมราชาวดีจอกพระศรีสมทรงพออบคงเคียงคู่ตลับผู้ทรงสีซองมณีสีสลาซองจินดาบุรีสุพรรณศรีกุดดัน พระเต้าสันหพางจำหลักขันสงพักสุคนโต๊ะชุดสนหลอดทองพระกร้องไม้ราชวังกรันฝังเพชรประดับเครื่องชาสับถ้วยถาดสุพรรณราชปากภายกาเวียนรายรูปนิ้ว ชื่อตลับที่ท่องจำกันได้ทั้งวังเนี่ยอย่างที่บอกก็มีอีกหลายชุดนะคะอย่างชุดของสมเด็จพระตำหนักก็เป็นชื่อปลาล้วนๆเป็นพระราชนิพนธ์เช่นเดียวกันก็คืออานอนนุนพระสุธาปราวานวหายเทิงโลมาระเริงศิลกระเบนบินหลังคลื่นฉลามตื่นชายหาดฉนากฟาดชนฉากระโห้อ้าเห็นเพดานประบึกผ่านแม่โขงปรากระพงพ่วงพี สีเสียดแทรกข้างสำเพอกุรางงามสมส่วนยี่สนอ้วนต่อนหน้าอินซีฝ่าสายสมุดทุกกังผุดพ้นน้ำดวนจันล้ำหลากสีพิมพ์ทองมีชื่อโดง่งชโดโพ่งลดชโดโพ่งโดดลอยเทโพด้อยแฝงฝั่งสวายวังเล่แวดปราแรดพักเสยียปรามาแบโอดอ้า ปลาหมาฟุบแฝงตมกลายสมกลายงามสมส่อชื่อตะเพียนคือสีระบายน้ำเงินคล้ายเงินยวงเนื้ออ่อนช่วงชูสีคางเบือนทีเบือนคางแบนอลางฉ่างจระเมรปลาแป้นเล็ดลอดกระแสปลาทองแผ่หางกระจายปราเงินไหวหูกระหวัดประกัดหรูสีอารามเข็มน้อยตามต่อเพื่อน คนโบราณนี่เขาก็เก่งมากเลยนะคะเป็นการสะสมที่มีรสนิยมแล้วก็ต้องมีความสามารถในทางภาษาด้วยอย่างตลับงานชุดของสมเด็จที่บนหรือว่าสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชนีนาถนะคะก็มีชื่อพระราชทานตลอดเถาเช่นเดียวกันค่ะอันนี้เป็นชุดดอกไม้นะคะดอกไม้ล้วนๆเลยซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทำให้เราได้รู้ว่าคนสมัยก่อน มีมีดอกไม้อะไรบ้างนะว่าดอกไม้สมัยนั้นมีอะไรหรือว่าปลาในสมัยนั้นมีอะไรบ้างหรือว่าคนในสมัยนั้นเขารู้จักปลาอะไรบ้างเมื่อกี้ชุดปลาไปแล้วนะคะทีนี้เรามาฟังชื่อชุดดอกไม้บ้างดวงทิพมนทาอัศวดีวารีปุนทริกบัววิกตอรียพเยียโกมุดบุษปะประทุมโกสุมอุบลจงกณีมาลีลำเจียก ไม้เรียกการะเกตกุหลาบเทศกลิ่นกล้ากระดังงาหอมตลกอวนอบจำปีสุขสีจำป่าระยะพวงพยอมเครือคล้อมสายหยุดบานบุษสะบุญนาหอมหลากลำดวนผิวนวลนวลแป้งบานแบ่งสารพีดกดีเทียนกิ่งยงยิ่งนมแมวแก้วแกมซ้อนช่อจันกระเพาะพึงสมอนขจรจรุงรื่น ชูชื่นกันนิกามาลิลาลานสวัสดชรมมนาตระการเกลื่อนก้านพิกุลหอมกลุ่นพุทธชาติชะลูดดาดดกจริงหอมยิ่งฝอยฝ่าบางชนิดก็รู้จักแต่บางชนิดนี่ก็งงเลยนะคะว่าวิตานี้ชื่อดอกไม้หรือนี่การเล่นตลับงานยังมีอีกหลายชุดนะคะแต่ว่า ก็เป็นของสะสมที่ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในราชสำนักแล้วก็แพร่หลายออกไปโดยรวดเร็วค่ะเริ่มตั้งแต่เจ้านายลงมาจนถึงคนในวังทั่วไปแล้วก็ลุกลามออกไปถึงข้างนอกในยุคนั้นสมัยนั้นใครมีฐานะพอจะมีตลับงาได้ก็ต้องมาประกวดประขันกันละค่ะจุกตลับงาอันนี้ก็แสดงถึงฐานะเจ้าของอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่ามีตั้งแต่เลี่ยมนาไปจนถึงจุกที่ทาด้วยทอง ทองลงยาแล้วก็ประดับเพชพรพลอยเป็นรูปต่างๆเสด็จก็ทรงมีตลับงานเป็นเผาเช่นเดียวกับเจ้านายพระองค์อื่นนะคะแล้วก็ส่งมอบให้ข้าหลวงช่วยกันขัดให้ขึ้นสีให้ขึ้นสีขึ้นเงาเนี่ยคนละใบสองใบ ส่วนคนในตําหนักก็มีตลับงากันบ้างเหมือนกันอย่างช้อยและพลอยต่างก็หาตลับงาใบเล็กใบน้อยมาเป็นกรรมสิทธิ์มีให้น้อยหน้าใครนะคะแม้แต่คุณสายซึ่งตามปกติเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยตื่นตามเหตุการณ์ต่างๆเท่าไหร่แต่คราวนี้กลับสนใจเริ่มสะสมตลับงาบ้าง แต่ตลับงานของคุณสายก็ดูเหมือนว่าจะสู้ของคนอื่นไม่ได้เพราะไม่มีเวลาจะมานั่งขัดถูจะวานคนอื่นให้ขัดถูก็ไม่มีใครรับขัดให้เพราะทุกคนก็จะมีตลับของตัวเองที่ต้องดูแลนะคะคือคุณสายเนี่ยไม่ค็ยมีเวลาต้องคอยดูแลตลับของสเสดชนะคะตลับของตัวเองก็เลยไม่ค่อยมีเวลาขัดในระยะต่อมาค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านะคะก็เริ่มเสด็จแปรพระราชฐานไปยังพระราชวังดุสิตบ่อยครั้งขึ้นครั้งหนึ่งหนึ่งก็ประทับอยู่ที่นั่นค่อนข้างนานตอนที่พลอยยังเด็กๆนั้นสวนดุสิตมีแต่พับพลาที่ประทับนะคะแต่ต่อมาพระที่นั่งวิมานเมฆ ก, ก็ปลูกขึ้นสําหรับเป็นที่ประทับถาวรกว่าแต่ก่อน ภายในพระราชวังดุสิตก็แบ่งออกเป็นสวนต่างๆพระราชทานนามตามลวดลายเครื่องลายครามกิมตึงซึ่งเล่นกันดาดอื่นในสมัยนั้นนะคะพระมเหสีและพระสนมก็โปรดให้อยู่ตามสวนต่างๆสวนสีฤดูเป็นที่ประทับของสมเด็จที่บนสมเด็จพระตําหนักประทับสวนหงพระนางประทับสวนนกไม้ท่านองค์เล็กประทับสวนบัวตําหนักเจ้าดารารัศมีอยู่สวนฝรั่งกังใส นอกจากนั้นก็จะมีสวนภาพผู้หญิงของเจ้าคุณแพ่สวนพุทธานสวนไม้สนสวนหนังสือเล็กสวนหนังสือใหญ่ชื่อสวนเหล่านี้ก็จะตรงกับชื่อที่เรียกลวดลายเครื่องลายครามในขณะนั้นนะคะสูนกลางของพระราชวังดุสิตคืออ่างยกเป็นสระน้ำใหญ่ลงเขื่อนมีน้ำใสสะอาดเต็มตั้งอยู่กลางพระราชวัง ริมอ่างยกด้านหนึ่งมีพระที่นั่งไม้สามชั้นก็คือพระที่นั่งวิมานเมฆริมพระที่นั่งมีโรงเฟืร์นใหญ่ในนั้นมีน้ำพุที่ประดับด้วยต้นเฟิร์นแล้วก็ไม้อื่นๆดูเยือกเย็นและต่อมาค่ะก็โปดรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลูกเรือนต้นริมอ่างยกอีกด้านหนึ่งตรงข้ามกับพระที่นั่งวิมานเมฆเรือนต้นเป็นเรือนไทยแบบชนบทฝาไม้กระดาน หลังคามุมจากนะคะมีหอนั่งเรือนนอนนอกชาญครัวไฟคือมีทุกอย่างครบเหมือนบ้านเรือนของชาวบ้านาตามชนบทนั่นแหละคะ่ะพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสต้นหลายครั้งหลายครานะคะเสด็จไปตามจังหวัดต่างๆปะปนไปกับหมู่รัษดรเสด็จเยี่ยมยืนรัษดรถึงบ้านช่องโดยที่รัษฎรเนี่ยไม่ได้รู้ว่าพระองค์เป็นผู้ใดก็จะมีเรื่องเล่าในระหว่างเสด็จประพาสต้นสนุกสนุกนะคะ สนุกมากเวลาที่ออรัษฎรเนี่ยจาไม่ได้ว่าพระองค์คือใครเพราะสมัยก่อนก็ไม่ได้มีรูปถ่ายแพร่หลายกันเหมือนสมัยนี้นะคะแล้วก็ในการเสด็จประพาสแบบนี้ค่ะก็เลยทําให้พระองค์เนี่ยทรงรู้จักคุ้นเคยกับรัษฎรในชนบทหลายคนแล้วก็โปรดให้เรียกว่าเพื่อนต้นและโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรดาเพื่อนต้นเหล่านี้เนี่ยสามารถจะเฝ้าแหนได้ทุกโอกาสและเกือบทุกครั้งที่เพื่อนต้นเข้าเฝ้าที่พระราชวังดุสิต ก็จะเสด็จออกรับที่เรือนต้นอย่างเป็นกันเองซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทิ์ประโมทก็ได้บรรยายตอนนี้เอาไว้บอกว่าราศดรเหล่านั้นก็เข้าเฝ้าเจ้าชีวิตของตนในระยะใกล้ชิดมิใช่ในปราสาตราชฐานที่โออาแวดล้อมไปด้วยเครื่องประดับอันมีค่าซึ่งจะทำให้เขาเหล่านั้นตรหนกใจและเจ้าชีวิตนั้นก็มีได้แต่งพระองค์ด้วยภูษาอาภรอันมีค่า ประทับอยู่บนบราชบัลลังก์ที่แสดงพระราชอำนาจอันอาจทำให้เขาต้องตกประมาาสิ่งที่คนมานอกจากชนบทได้พบเห็นเมื่อเข้าเฝ้าก็คือเจ้าชีวิตที่แต่งพระองค์อย่างลำลองประทับอยู่ที่บนเรือนไม้ท่ามกลางบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ไม่ผิดไปจากบ้านในชนบทที่เขาคุ้นเคยอยู่และในท่ามกลางบรรยากาศเช่นนี้ความตื่นตระหนกและความประมาก็ไม่เกิดขึ้น ชาวบ้านเหล่านั้นสามารถพูดคุยกับพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างระหว่างคนต่อคนมิใช่อย่างระหว่างเจ้าชีวิตและไพร่ฟ้าฆ่าแผ่นดินเนื้อความที่พูดจากันจึงเต็มไปด้วยสาระและความจริงที่เป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่มีอุปสรรคกีดขวางจากประเพณีหรือระเบียบอื่นๆและในบรรยากาศที่คุ้นเคยนั้นทุกคนก็สามารถแสดงความ เป็นตัวของตัวเองนะคะแสดงตัวให้ปรากฏความเป็นตัวของตัวเองเต็มไปด้วยเกียรติอันภาคภูมิที่ได้เป็นเพื่อนต้นของพระเจ้าแผ่นดินไทยในระยะเวลานั้นงานอดิเรกของพระเจ้าอยู่หัวที่ ท, ทรงสนพระราชหฤทัยมากกว่าอย่างอื่นก็คือการปลูกต้นไม้นาน า, น า, นานชนิดในบริเวณสวนดุสิตค่ะ ทั้งไม้ดอกไม้ใบาบางอย่างก็ขุดมาทั้งต้นโตโตจนพระราชวังดุสิตนั้นร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธ์บรรยากาศรื่นรมน่าอยู่น่าสบายยิ่งกว่าในพระบรมมหาราชวังซึ่งเมื่อเทียบกับพระราชวังดุสิตแล้วก็กลายเป็นที่แคบอึดอัดไปเลยงานอดิเรกที่ทรงพอพระราชหฤทัยอีกสองอย่างก็คือการถ่ายภาพแล้วก็ล้างอัดภาพด้วยพระองค์เองค่ะ เกิกระโปรดกลระโปรดกระหมอมนะคะให้ทําห้องมืดสําหรับล้างและอัดภาพทางด้านหลังของเรือนต้นต่อจากนั้นไปเป็นโรงยาวเป็นที่สําหรับทรงประกอบอาหารฝรั่งต่างๆซึ่งเป็นงานอดิเรกของพระองค์อีกอย่างหนึ่งในยุคนั้นสิ่งที่พลอยสังเกตเห็นว่าสวนยุสิตแตกต่างไปจากในวังก็คือบรรยากาศที่สวนยุสิตนั้นค่อนข้างจะเรียบง่ายเป็นกันเองไม่ผิดกับบางปะอินเท่าไหรนะ่นั ผิดกับในวังหลวงซึ่งเคร่งครัดไปด้วยกฎระเบียบและประเพณีต่างๆและสวนจุสิทธิ์ถึงแม้ว่าจะแลดูกว้างขวางกว่าในวังนะคะแต่โอกาสที่จะได้เฝ้าแหนแล้วก็เห็นพระเจ้าอยู่หัวก็จะมีมากกว่าในวังเพราะว่าในวันหนึ่งๆอาจจะพบพระองค์ประทับอยู่ใต้ต้นไม้กลางสนามหรือว่าประทับริมอ่างหยกหรือว่าบนเรือนต้นซึ่งเป็นเรือนเตี้ยๆแม้แต่พระที่นั่งวิมานเมฆนั้นก็เป็นพระที่นั่งโถง มีเฉลียงปโปร่งรอบสามารถที่จะแลเห็นพระองค์จากข้างล่างได้ง่ายมีได้สูงลิบและก็ลึกลับอย่างที่บนในพระบรมมหาราชวังแต่สิ่งที่สวนดุสิตแปลกไปกว่าในวังอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ทำให้พลอยต้องเดือดร้อนด้วยความหวาดกลัวอยู่บ่อยๆก็คือเรื่องผีค่ะสวนดุสิต เล่าลือกันว่าเป็นสถานที่ที่พีดุอย่างฉกาจฉกันนะคะก็น่าแปลกค่ะคือสวนดุสิตเนี่เป็นที่โลง่ลงๆสถานที่ทุกแห่งก็ล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นใหม่ไม่มีสิ่งก่อสร้างโบราณหรือบรรยากาศที่มืดครึม้มหรือว่าเสียงนกข้าแมวร้องในเวลาค่ําคืนอย่างในวังคือถ้าจะว่ากันโดยสภาพแวดล้อมนะคะในวังเนี่ยหมายถึงวังหลวงน่ากลัว น่ากลัวในแง่ของผีมากกว่าที่สวนดุสิตเป็นไหนๆแต่สำหรับชาววังที่เคยอยู่ทั้งสองแห่งก็มักจะยืนยันกันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าสวนดุสิตนั้นผีดุกว่าในวงังหลวงมากค่ะถึงแม้ในวังจะมีคนถูกผีหลอกบ้างปรับปรายนะคะออผีที่หลอกในวังนั้นก็เป็นผีเจ้าผีนายมีมารยาทเรียบร้อยกว่าคนธรรมดาสามัญ แล้วก็ด้วยเหตุที่ในวังนั้นไม่มีใครจะเข้าไปตายได้นอกจากเจ้านายค่ะยกเว้นกรณีพิเศษที่หามออกไปไม่ทันจริงๆคือมีธรรมเนียมว่านอกจากเจ้านายแล้วเนี่ยคนธรรมดาจะตายในวังไม่ได้นะคะต้องหาไปตายข้างนอกเพราะฉะนั้นก็เชื่อกันว่าเมื่อข้างในเนี่ยไม่มีคนตายมีแต่เจ้านายผีก็เลยเป็นผีที่ไ ม, ไม่ดุไม่น่ากลัวนะคะ ซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทิ์ปราโมชก็บอกว่าแต่ถ้าเกิดกรณีเช่นนั้นขึ้นแล้วก็ย่อมจะต้องมีพิธีสวดมนต์ปัดรังควานไล่ผีให้ตเตลิดไปผีที่จะคงอยู่ได้ก็จะมีแต่ผีเจ้านายซึ่งก็จะไม่มารบกวนหลอกหลอนคนที่ถวายความเคารพกราบไหว้และถึงแม้ว่าในวังนั้นมีผู้ได้ยินเสียงเปรตร้องเป็นครั้งเป็นคราวเปรดนั้นก็ว่าเป็นเจ้านายในวังอีกจึงไม่มีภัยอันตรายแต่อย่างใด พลอยเคยได้ยินเสียงเปรตร้องถนัดชัดเจนกลางดึกที่ในวังครั้งหนึ่งคนที่นอนอยู่ในห้องเดียวกันคือคุณสายและช้อยก็ได้ยินเสียงนั้นเป็นเสียงหวีดร้องอย่างโหยหวนของผู้หญิงและดังจนกระทั่งพลอยและช้อยเนี่ยต้องลุกขึ้นนั่งด้วยความตกใจเสียงนั้นร้องขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็เงียบไปแต่ก็ทําให้คุณสายต้องลุกขึ้นจุดตะเกียงสวดมนต์พึมพำรรอยู่พักใหญ่ จบลงด้วยการกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลไปถวายเพราะคำว่าถวายที่คุณสายใช้นั่นเองพลอยจึงได้รู้ว่าเปรตในวังนั้นเป็นเปรตเจ้านายหาใช่เปรตธรรมดาสามัญไม่แต่พอรุ่งขึ้นอีกวันชอยก็แอบมากระซิบบอกว่าเมื่อคืนนี้คุณอากรวดน้ำให้คนเป็นเป็นเสียแล้วละพลอยทำไมละชอยก็เสียงที่เราได้ยินเมื่อคืนนี้ไม่ใช่เสียงเปรตหรอก แม่ชุบเขาบอกฉันว่าใหญ่แนบคนเครื่องแกลเมอร้องขึ้นต่างหากตั้งแต่นั้นมาเรื่องเปรตใหญ่แนบก็เป็นเรื่องที่พลอยและช้อยเก็บเอาไว้หัวเราะกันสองคน เล่าลือเกี่ยวกับเรื่องของสวนดุสิตนั้นที่บอกว่าผีดูอะนะคะก็เล่ากันว่าส่วนหนึ่งของที่ที่เป็นสวนดุสิตแต่ก่อนเป็นวัดร้างค่ะมีประชาเก่าเมื่อมาขุดถมที่ดินก็เล่ากันว่าได้ขุดเอากระดูกคนขึ้นมามากแต่ครั้นพลอยถามคนเล่า ว, ว่าส่วนไหนของดุสิต ท, ที่เป็นวัดร้างผู้เล่าก็ไม่สามารถจะบอกได้ ก็เลยยิ่งทำให้เคลือบคลุมและก็น่ากลัวไปทั่วพรอยนั้นเป็นคนกลัวผีนะคะชอยเองก็กลัวผีคือกลัวด้วยกันทั้งคู่ต่างแต่ว่าพรอยนั้นเมื่อกลัวแล้วก็ไม่อยากพบไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังส่วนชอยตรงกันข้ามคะ่ะยิ่งกลัวเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากพบอยากเห็นแล้วก็อยากได้ยินเรื่องผีมากขึ้นเท่านั้น ช้อยมักจะมีเรื่องผีกลับมาเล่าให้พลอยฟังบ่อยๆค่ะซึ่งพลอยก็ไม่อยากฟังแต่ก็อดฟังไม่ได้และเมื่อได้ฟังครั้งใดก็ยิ่งทำให้กลัวผีมากขึ้นทุกครั้งพลอยได้ฟังเรื่องผีจากช้อยทีไรก็กลัวผีไปครั้งละหลายๆวันกลางคืนจะเดินไปไหนก็ต้องชวนคนไปเป็นเพื่อนไม่กล้าไปคนเดียว แต่ถึงแม้จะมีคนไปเป็นเพื่อนก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าคนที่ที่ไปเป็นเพื่อนเนี่ยก็เป็นคนกลัวผีด้วยกันและผีที่สวนจุสิตนั้นก็ดูเหมือนจะมีอยู่เสียทุกที่ทั้งบนดินใต้ดินบนต้นไม้และแม้แต่ในน้ําคอยหลอกหลอนคนด้วยลักษณะแปลกๆ แ, และเรื่องผีที่พิสดาร น, นั้นพลอยก็ได้มาจากชอยอีกอย่างเช่นวันหนึ่ง ตอนกลางคืนชอยก็บอกว่าพลอยรู้ไหมผีมาเล่นน้ําถวายเสด็จและชอยก็ออกพระนามเจ้าในในวังพระองค์หนึ่งนะคะผีอะไรมาเล่นน้ําถวายพลอยพูดอย่างไม่เชื่อเอาไม่เชื่ออีกแล้วจริงๆนะพลอยใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นเรื่องมันอย่างนี้ฉันจะเล่าให้ฟังเสด็จท่านประทับอยู่ที่ตําหนักกรีมสระสวนหงตอนนั้นนะยังไม่ดึกเท่าไหร่ มีคนเขาหมอบเฝ้าอยู่สามคนเป็นผู้ใหญ่สองคนเด็กไว้จุกอีกคนนึงคนที่เขาอยู่เขาหมอบหันหน้าไปทางเสด็จหันหลังให้สระส่วนเสด็จก็ประทับหันพระพักไปทางสระน้ำคนที่เฝ้าเขาก็คุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปตามเรื่องแต่แรกท่านก็รับสั่งด้วยแต่ตอนหลังท่านนิ่งพระเนรมองไปข้างหน้าเหมือนกับวา่าไม่ได้ยินคาที่เขาทูล เด็กคนที่เฝ้าอยู่นั้นแกมองดูพระเนธแล้วก็มองตามพอมองไปทางศัะเด็กคนนั้นก็ร้องกรี๊ดใหญ่ทีเดียวแล้วตั้งแต่นั้นมาก็จับไข้แล้วก็คลั่งเพอไปต่างๆและเดี๋ยวนี้นี่นะจะเป็นจะตายเท่ากันเลยละโอ้โหถึงขนาดเจ็บไข้ได้ป่วยกันเลยทีเดียวนะคะพรอยก็เลยสงสัยว่าแล้วเขาเห็นอะไรที่ในศักเอก็ไม่มีใครรู้แน่นะ เขาว่าเสด็จท่านทรงเล่าทีหลังว่าท่านประทับอยู่ทอดพระเนตรทางสระน้ําทีแรกก็มีอะไรดําๆโผล่ขึ้นมากลางสระท่านก็เข้าพระทัยว่าเป็นปลาผุดแต่ก็ไม่ใช่เพราะไอ้ที่มันโผล่ขึ้นมานั้นน่ะมันโผล่มากขึ้นทุกทีทุกทีเหมือนกับปลาตัวใหญ่ๆที่โตเท่าควายแต่ท่านก็รับสั่งว่ารูปร่างมันจะเหมือนอะไรก็ว่าไม่ถูกมันดําๆใหญ่ๆยืดหยุนได้ พอมันโผล่ขึ้นมาจากน้ำเต็มที่แล้วมันก็ว่ายไปยังขอบสระทีแรกทั้งกันนึกว่ามันจะหยุดแค่นั้นแต่ก็เปล่าทีนี้มันเริ่มทําตัวยาวๆเหมือนงูตัวใหญ่ๆแล้วก็เลื้อยขึ้นมาบนบกแล้วก็เลื้อยขึ้นต้นโศกที่ขอบสระพอมันเลื้อยขึ้นไปถึงยอดมันก็ทําตัวกลมเท่าพร้อมกลิีงออกมาที่ปลายกิ่งไม้แล้วก็กระโดดตูมกลับลงไปในสระน้ํำกระจายดังซาทีเดียว จนกระทั่งคนที่หมอบอยู่เนี่ยนะเขาได้ยินกันทั่วแต่พอเหลียวไปดูก็ไม่เห็นอะไรซะแล้วเรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละพลอยฉันถึงได้บอกว่าผีมันมนเล่นน้ำถวายพลอยก็แบบโ้ยตายแล้วน่ากลัวจังเลยนะคะนั่นนะสิฉันเล่านี่ยังคนลุกเกลียวเลยดูสิชอยพูดพลางยื่นแขนให้พลอยดูนะคะทาเอาพลอยนี่ก็ต้องขนลุกขนพองตามไปด้วยละคะ่ะ ชอยไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิชอยพูดขึ้นหลังจากเล่าเรื่องจบไปไหนกันช้อยฉันร้อนนักอยากจะไปอาบน้ำที่อ่างหยกตายจริงช้อยก็เอาเรื่องผีเล่นน้ำมาเล่าอยู่หยกๆกแล้วยังจะมาชวนฉันไปอาบน้ำในอ่างหยกฉันไม่เอาล่ะฉันกลัวจะตายแล้วเฮ้ยจะไปกลัวอะไรกันนักหนาผีมาเล่นน้ำได้เราก็เล่นได้นี่นาโห่ แล้วทำไมไม่อาบเสียตั้งแต่ตอนกลางวันกลางวันน่ะอาบให้สะอาดเท่า น, นั้นเองอาบน้ำอย่างชันต้องอาบกลางคืนถึงจะดีพลอยก็ถามว่าทำไมชอยก็เลยอธิบายบอกว่าชอยเนี่ยกำลังจะหัดโดดน้ำแล้วก็ว่ายน้ำท่าฝรั่งคือถ้าเกิดว่าหัดกลางวันคนเห็นก็เรื่องเยอะนะคะชอยก็กะว่าเอาไว้พอว่ายเก่งแล้วเนี่ย ก็จะแสดงให้พวกชาววังดูนี่พรอยก็สงสัยว่าชอยไปเอามาจากไหนและทําไมฝรั่งเขาเขาไม่ไว่ายน้ําอย่างเราหรอกหรอช้อยชอยก็บอกว่าไม่ไหว้หรอกฝรั่งเนี่ยเขาต้องโดดต้องไหายท่าเก๋ๆไม่ใช่โดดทิ้งลูกมะพร้าวหรือว่ากระทุ่มน้ําตูมต้มๆอย่างเราฉันน่ยไปแอบดูหนังสือฝรั่งที่เสด็จท่านเอามาทรงมีรูปท่าต่างๆแยะเชียวฉันจําเอาไว้ได้หมดแล้วล่ะ มาที่กันสิเดี๋ยวฉันจะทําให้ดูไปด้วยกันหน่อยเถอนะน้าพลอยไปคนเดียวฉันก็กลัวผีเหมือนกันนะพลอยก็เลยต้องจําใจนะคะตามช้อยไปอ่างหยกอย่างครึ่งขันครึ่งกลัวแต่เมื่อไปถึงช้อยก็ทั้งโดดทั้งไหว้ด้วยท่าทางที่ช้อยอ้างว่าเป็นท่าฝรั่งต่างๆนะคะจนพลอยขึ้นจากน้ําตั้งนานแล้วช้อยก็ยังไม่ขึ้นทีนี้ขณะที่เดินกลับด้วยกันเนี่ยล่ะคะ่ะ ชอยก็เอื้อมมือมากำแขนพรอยแล้วก็พูดว่าพรอยเราอยู่ด้วยกันมานานไม่เคยมีเรื่องมีราวกันเลยทกุก็ด้วยกันสุ ข, ขก็ด้วยกันถ้าจะว่าไปที่มันแล้วไปแล้วก็สนุกไม่ใช่เล่นนะฉันอยากให้ทุกอย่างมันอยู่อย่างนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงฉันก็เหมือนกันแหละช้อย เพอถ้ามันเป็นไปได้อย่างนั้นจริงๆก็จะดีแต่หมู่นี้ฉันรู้สึกว่ามันกําลังจะเปลี่ยนไปยกใหญ่ของที่เราเคยพบเห็นเคยทําก็มีแต่จะหมดไปพรอยกับฉันก็จะต้องไปคนละทางมองดูข้างหน้ามันมืดฉันกลุ่มใจกลุ้มใจชอยพูดอะไรเป็นลางเปล่านะเราอยู่ด้วยกันดีๆทําไมถึงจะต้องมาหาเรื่องพูดให้ไม่สบายใจ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีมันก็เกิดไม่สบายใจขึ้นมานะ่ะฉันรู้สึกตัวเหมือนยังกับเวลาที่ยืนอยู่ขอบสระเตรียมตัวที่จะกระโดดน้ำมันผิดกันอยู่นิดเดียวที่สระน้ำจริงๆนั้นถ้าเรากระโดดลงไปแล้วก็ไหว้กลับมาขึ้นฝั่งได้ใหม่แต่ไอ้สระที่ฉันนึกถึงมันไม่เป็นอย่างนั้นนะสิเมื่อกระโดดตูมลงไปแล้วตัวเราเองก็จะต้องเปลี่ยนไปไม่เป็นคนเก่าเวลาขึ้นมาแล้ว ของทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปตามกันฉันนึกนึกอยู่อย่างนี้แหละพลอยฉันจะบ้าหรือดีก็ไม่รู้พลอยก็ฟังแล้วก็นึกตามฉันคิดดูแล้วก็เห็นจริงเหมือนกันนะเราสองคนเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันต่อไปฉันก็ไม่รู้ฉันรู้ดีว่าเราจะหาอะไรที่แน่นอนนั้นยากนักแต่นึกไปอีกที ฉันก็ไม่มีตกหลอกช้อยของอื่นมันจะเปลี่ยนไปก็สุดแล้วแต่ว่าแต่เราสองคนเถอะช้อยกับฉันนี่แหละถ้าเรายึดกันเอาไว้ให้แน่นๆไม่ทิ้งกันฉันก็เห็นว่าไม่สู้จะไกนะักจริงไหมจริงช้อยพูดสั้นๆมือที่กาแขนพรอยอยู่นั่นก็บีบแน่นขึ้นพร้อยพูดถูกแล้วต่อไปข้างหน้า อะไรเป็นอย่างไรก็อยู่ที่ตัวเราเองถ้าเราเกาะกันไว้แน่นก็เห็นจะไม่สู้เป็นไรนะักแต่ฉันมันเป็นคนหัวแข็งเคยเป็นอย่างไรก็อยากจะให้มันอยู่ต่อไปอย่างนั้นฉันจะอยู่เหมือนไปอย่างนี้แหละว่าแต่พลอยเธออีกหน่อยก็คงจะเปลี่ยนไปจะเป็นจริงอย่างที่พูดไว้หรือไม่ก็ไม่รู้ ชอยก็คงจะมองเห็นอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าไม่ได้พูดตรงๆในขณะที่พลอยนั้นดูเหมือนว่าจะมั่นใจในความมั่นคงของตัวเองยิ่งนักนะคะชอยเชื่อฉันเถิดอย่าวิตกไปเลยเรารู้จักชอบพอกินนอนมาด้วยกันตั้งแต่เล็กจนโตคนทั้งเมืองฉันก็รู้จักดีจริงๆแต่ชอยคนเดียวเท่านั้นถึงตัวฉันจะเปลี่ยนไปอย่างไรสาหรับชอย ฉันก็จะต้องเหมือนเก่าไม่ผิดไปได้ชอยคอยดูเอาเองก็แล้วกันอย่างฉันนี้ถึงจะยากดีมีจนต่อไปข้างหน้าก็คงจะไม่ลืมช้อยชอยไม่ต้องห่วงหรอกขอให้จริงอย่างที่ว่าเถิดพลอยแต่ถ้าจะว่ากันไปจริงๆฉันก็ไม่เคยวิตกเรื่องพลอยเลยนะฉันรู้ใจพลอยดีกว่าใครๆฉันวิตกเรื่องตัวของฉันเองมากกว่า ฉันมันเป็นคนหัวรั้นบ้าๆบอๆจะหันตัวเองเข้าหาอะไรหรือตามอะไรก็คงไม่ทันเดี๋ยวนี้ฉันก็มีความสุขดีอยู่เพราะมีเจ้านายคอยคุ้มกลาหัวถึงต่อไปจะสิ้นเจ้าสิ้นนายก็ยังมีพ่อมีแม่แต่ทีนี้ต่อไปเมื่อหมดพ่อหมดแม่แล้วชอยพูดแล้วก็นิ่งกว่าตามองไปรอบๆตัวมองดูบริเวณเพื่อที่นั่งน้อยใหญ่และตําหนักต่างๆในพระราชวัง ไหนๆจะพูดกันแล้วฉันก็อยากจะพูดให้หมดเปลือกชอยพูดพรางเอามือชี้ไปอย่างสิ่งต่างๆรอบตัวพรอยดูสิตั้งแต่เรารู้ความมาเราก็อยู่แต่ในวังแวดล้อมไปด้วยสิ่งเหล่านี้ฉันเคยได้ยินคนเขาพูดว่าชาววังเหมือนขังคกในกลาฉันก็เห็นจะจริงแต่ขังคกนั้นพอเปิดกลาขึ้น มันก็กระโดดของมันไปได้ว่าแต่เราเถอะถ้าสิ่งเหล่านี้หมดไปถ้าของที่เราเคยคุ้นเคยต่างๆนั้นหายไปเราจะอยู่กันได้เหรอชอยนี่ก็แปลกจริงๆเทียวชอบพูดอะไรไม่ดีเสมอยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุรั้ววังท่านสร้างสมกันมาแต่ไหนๆปู่ย่าตาทวดของเราท่านก็เคยเห็นมาจะไปหมดไปสิ้นลงได้อย่างไรง่ายๆ ฉันนึกไม่ถึงเลยว่าจะเป็นอย่างที่ชอยพูดได้อย่างไรกันฉันก็ไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างนั้นหรอกพลอยแต่ใครจะไปรู้ได้เผื่อเป็นขึ้นมาจริงๆแล้วเราจะเป็นยังไงฉันคิดไปไม่ถึงหรอกไว้ให้เป็นไปจริงเสียก่อนแล้วค่อยมาคิดกันระหว่างนี้ฉันก็ได้แต่ภาวนาอย่าให้เป็นไปได้อย่างที่ชอยบอกก็แล้วกัน ผู้ประพันธ์คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทปราโมทนี่ก็สร้างตัวละครสองตัวนี้ให้แตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยนะคะคนหนึ่งก็เป็นคนที่มองเห็นแต่เฉพาะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราก็มองโลกในแง่ดีคนหนึ่งก็เป็นคนที่มองกว้างกว่านั้นแล้วก็ดูเหมือนว่าช้อยเนี่ยจะเป็นคนที่เรียกว่าเท่าทันกับยุคสมัยนะมองกว้างนะคะมากกว่าแม่พรอย แม่พลอยนี่ถ้าพูดสมัยนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นพวกโลกสวยมั้งคะคือมองอะไรก็ก็ไม่เป็นกังวลไม่ได้คิดมากก็ดีไปอย่างที่ว่ามีความสุขนะคะคือช้อยเนี่ยก็มีความสุขเพียงแต่ว่าช้อยเริ่มสกิดใจแล้วก็เริ่มเริ่มออมองเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นพลอยวิ่งแข่งกับฉันไหมดูซิ ใครจะไปถึงม้าหินโน่นก่อนกันแล้วชอยก็วิ่งตื้อออกไปโดยมีพลอยวิ่งไล่ตามไปติดๆคืนนั้นก่อนที่จะหลับพลอยก็อดเอาคําพูดของชอยมาคิดไม่ได้พลอยไม่ได้นึกว่าช้อยจะมียานวิเศษมองเห็นการข้างหน้าแต่คําพูดของชอยก็ทําให้พลอยรู้สึกไม่สบายใจ อนาคตเป็นสิ่งที่มืดมนจริงอย่างที่ชอยพูดการเปลี่ยนแปลงต่างๆอาจจะมีมาจริงๆก็ได้แต่ว่าจะเป็นอย่างไรจะมากจะน้อยพลอยเองก็เดาไม่ถูกแล้วก็มองไม่เห็นเหมือนกันว่าตัวเองจะเป็นอย่างไรต่อไปพลอยนึกไปไม่ถึงว่าตนเองและช้อยนั้นกำลังยืนอยู่ณจุดของความสิ้นสุด แห่งยุคสมัยหนึ่งที่กําลังจะหมดไปอย่างรวดเร็วการละสมัยที่พลอยรู้จักคุ้นเคยและได้รับความคุ้มครองมาตลอดขณะนั้นเป็นช่วงปลายแห่งแผ่นดินที่หนึ่งในชีวิตของพลอยเป็นเวลาสมหรือ4ปีก่อนที่จะผลัดแผ่นดินยุคใหม่ชีวิตใหม่และการละสมัยที่จะมาใหม่กําลังก้าวเข้ามาใกล้ ทุกลมหายใจพรอยคาดไม่ถึงว่าตนเองจะได้แลเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่ในชั่วชีวิตของตนและถึงแม้ว่าพรอยจะมีตาทิพ์มองเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าได้พรอยก็คงไม่สามารถที่จะเข้าไปหยุดยั้งสิ่งต่างๆที่กำลังหมุนใกล้ตัวเข้ามาทุกทีนั้นได้พรอยนอนนึกโ น, น่นนึกนี่จนกระทั่งในที่สุดก็หลับไป หลับไปอย่างไร้เดียงสาต่ออนาคตที่กำลังก้าวย่างเข้ามา